ถ้าจเจริญพรพรอบไหมวันนี้เมื่อวานใครมาบ้างก็ะดเลย <c oughs> <c oughs> คนในเมืองไทยนะบนโอกาสที่ใกล้ๆลงพอยากนะยากไม่ใช่ว่าเล่นตัวหรอก <c oughs> คนมันเยอะคนสนใจธรรมะเยอะมันเป็นยุคเป็นสมัยที่ สังคมมันเปลี่ยนอย่างมากๆนะ ร, รุ่นพ่อแม่รุ่นปู่ยา่าตายายแล้วสังคมเป็นสังคมเกษตรครอบครัวก็ใหญ่ทุกวันนี้สังคมก็เล็กลงครอบครัวเล็กๆผู้คนในสังคมมากขึ้นแต่คนเหงามากขึ้นเดียวดายโดดเดี่ยวเยอะแต่ก่อนทำไร่ทำนากัน ปีหนึ่งเือเหตุผลที่หนึ่งทำสำเร็จมีข้าวกินนั่นปีนะั้นไม่สำเร็จก็อดอยากในีนี้มาทาธุรกิจทำอะไรนะเผลอแป๊บเดียวกล้มไปแั้ความมั่นคงในชีวิต น, น้อยลงเรามีของกินของใชยย้เยอะขึ้นความมั่นคงในชีวิตเราไ ม, ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตมันหายไป ม, มนุษย์มันเครื่องจักรตัวหนึ่ง ทำงานหมุนจีๆไปตัวไหนทำงานไม่สำเร็จเขาถ อ, ถ, อถอดทิ้งไปไม่มีคุณค่านี่ัลกสักงคมมันเปลี่ยนเศรษฐกิจมันเปลี่ยนมันไม่ไม่สบายในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงคนไหนมีธรรมะได้เปลี่ยนถ้าเวลาเรามีธรรมะใจเราสงบใจเรามั่นคง เราจมองการแก้ปัญหาชีวิตได้ง่ายขึ้นถ้าใจเราทุ่งสั้นเวลามองอะไรก็มองไม่ตรงไปตรงมามองแบบมีอย่างสติงั้นอย่างถ้าเราทําจิตใจเราสงบนะสติปัญญาเราทํางานได้เต็มที่กระทั่งทําธุรกิจก็ได้เปรียบทั้งใจจะไม่มีใบแอสต่างๆเวลามองอะไรอมองไม่ตรงมากกวาคนปกติ สิคลนี้เป็นเพื่อเป็นผลประโยชน์ในทางโลกของการปฏิบัติมีคนจำนวนมากไปหาลรลวงพ่บอกว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่มีธรรมะค่าตัวตายไปแล้วทำธุรกิจดีๆก็มาเผาโรงงานไปไม่ได้องเกี่ยวข้องอะไรนะอยู่ๆก็โดนเผาโรงงานเผาร้านอาหารร้านหนึงเผาไปปีหนึ่งถูกเผาปีหนึ่งไม่มีใครเผาน้าท่วมไปหมดอีก เดี๋ยถามเดี๋ยวไฟบอกถ้าไม่มีธรรมะ ก, ก็อยู่ไม่ไหวแต่พอมีธรรมะเข้นมากกมในใจมันเริม่มเห็นความจริงโลกมันไม่แน่นอน อ, อย่างน้อยเราก็จะมีชีวิ ต, ตอยู่ไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ด้วยเรามีชีวิตอยู่พร้อมได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นต้นทุนเราไม่ได้เสร่อ ม, มสลายไปทั้งหมดในปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าคนไหนขาดธรรมะเวลา เกิดความแปรปรวนขึ้นในชีวิตนอยู่ไม่ได้เลยลม้มล้มสลายการจิตใจจิตใจล้มสลายการดำรนิชีวิตการทํมามากินเลยชุ่งไปหมดครอบครัววุ่นวายไปหมดเลยถ้าเป็นพระเอกหลพ่อนะจะอยู่คนจำนวนมากมจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้มีคนหนุ่มคนสาวแข็งแรงอยู่ๆเป็นมะเร็งนะเยอะมากเลยคนอย่างนี้เป็นมะเร็ง จะตายแล้วกว่าจะรู้ตัวก็ใกล้จะตายแล้วถ้าไม่มีธรรมะมันตายสก่อนจะตายจริงๆตายทางจิตใจจงไปด้วยความทุกทุรนทุรายยังธรรมะนี่ให้ประโยชน์เราทาั้งในการดำรงชีวิตแล้วประโยชน์ที่ยิ่งๆเป็นไปอีกคือถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วเราไอยู่กับโลกมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลง ไม่มีใครสร้างความทุกข์ให้เราได้คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่การที่เราดูแลจิตใจของตัวเองไม่เป็นเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเผาผลาญจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นปัญหากับความทุกข์นี่เป็นคนละอันกันปัญหานั้นเกิดตลอดเวลาอยู่ในโลกนี้เป็นเปื้ปัญหาเราไม่สร้างคนอื่นก็มาสร้างให้แต่ความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เราสร้างเอาเอง ด้วยใจที่มันไม่มีความฉลาดพอมันไม่รู้ว่าทุกอย่างในโลกที่เป็นของชั่วคราวทุกอย่างมาแล้วก็ไปคิดว่าเราจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดนิรันดร์มันครอบครองไม่ได้จริงมันอยู่ได้ชั่วคราวพะะระเจ้าเลยสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตของชีวิตถ้าเราเข้าใจแล้วก็สิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเร า, ามีการกับใจนี่เองกระทั่งร่างกายเราก็มีแต่ความแปรปรวน แต่ของบังคับไม่ได้จิตใจมีความแปรปรวนบังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจความจริงเหล่านี้ได้นะกระทั่งตัวเองแปรปรวนไปแต่ใแก่จะเจ็บจะตายยังไม่หวั่นไหวเลยเราสมมติทรัพย์สินเงินทองครอบครัวจะเป็นอะไรนะมันก็ไม่หวั่นไหวไปด้วยสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเราเองอย่างบางคนบอกว่าไม่จริงเรารักลูกมากที่สุดที่เรารักลูกเพราะอะไร เพราะมันเป็นลูกของเราเป็นลูกคนอื่นเราก็ไม่รักหรอกเพระจริงๆเรารักเพราะว่ามันเนื่องกับเรานี่รักตัวเองสูงที่สุดเลยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนะี่รักตัวเองมากที่สุดแต่ละเลยที่จะใส่ใจดูแลตัวเองไม่สนใจตัวเองตื่นนอนมาเราก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลา ความสนใจของเราออกข้างนอกเราลองทบทวนย้อนกลับเข้ามาสนใจตนเองค้นหาตนเองให้พบถ้าเราค้นพบตนเองแล้วนะใจเราจะเต็มอิ่มขึ้นมามันจะไม่อิ่วใจทุว่นนี้มันหิวตลอดเวลาอยากโน้น อ, อยากนี้ตลอดเวลาถ้าเราค้นพบตัวเองได้จะไม่มันจะเต็มอิ่มขึ้นมาในสมัยพุทธกาลมีเจ้าชายหนุ่มสามสิบองค์ ไปเที่ยวหาผู้หญิงไปจ้างผู้หญิงไปด้วยเขาเผลอแล้วพวกสเภณีนัน้นเขโมยสมบัตินี้ไหมเจ้าชายสามสิบอเนี่ยเที่ยวตามเอาสมบัติคืนไปเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามว่าเธอจะไปตามผู้หญิงดีหรือจะจะค้นหาผู้หญิงนั้นดีหรือจะค้นหาตนเองดีกว่าเจ้าชายสามสิบองันก็นึกขึ้นได้เราค้นพบตัวเองดีกว่า เราไปเที่ยวหาคนอื่นหาไปครัได้ประโยชน์นอะไรได้ของคืนนิดหน่อยถ้าเราค้นพบตัวเองได้แล้วก็ชีวิตมันจะเต็มอิ่มขึ้นมาการพบตัวเองการค้นพบตัวเองนะไม่ใช่เรื่องยากมีสองอย่างที่เราจะไม่ทำอันหนึ่งก็คือการลืมตัวเองเราเรารักตัวเองแต่เราลืมตัวเองทั้วันใจเรามี้ยออกนอกไปคิดถึงคนอื่นสิ่งอื่น เวาคิดถึง sometime, ตัวเองก็ไม่คิด ถ, <อ>จจถึงตัวเองในปัจจุบันไม่รู้สึกถึงตัวเองในปัจจุบันเราจะไปคิดถึงตัวเองในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเมื่อก่อนเราอย่างนั้นอนาคตเราตัวเองนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันเราถ้าถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเองใจเราต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันนี้ไม่หลงไปในโลกของความคิดเราคิดไปอดีตคิดแต่อนาคตเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจในปัจจุบันนี้ และศตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติเลยก็คือการที่ลืมตัวเองหลงไปลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยคนในโลกและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยลืมตัวเองตลอดเวลาแต่แต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆนะหลวงพ่อพูดเรื่อๆในโลกมันไม่มีคนรู้สึกตัวหายากจริงๆเลยคนรู้สึกตัว ม, มีแต่คนหลงไม่ได้แกล้งวาใครด้วยนะมันหลงจริงๆ หลงไปอดีตหลงไปอนาคตหลงไปเรื่องของคนอื่นหลงไปเรื่องของสิ่งอื่นมันลืมกายลืมใจที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้งนันงานแรกเลยนะถ้าถ้าเราอยากจะ ร, รู้จักตัวเองไห้ได้คนพบตัวเองใหได้คือต้องรู้สึกตัวให้เป็นถ้าหลงเพลินไปเราก็จะลืมตัวเองมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมเพราะงั้นการที่หลงไปนี่แหละคือศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติละ่ะ ศัตรูหยเลขสองของปฏิบัตินั้นก็คือการไปบังคับกายบังคับใจข่มร่างกายเคยหายใจสบายๆนะก็หายใจไม่สบายแล้วไปบังคับการหายใจของตัวเองเคยยืนเดินนั่งนอนอย่างสบายๆก็ไม่สบายแล้วพอคิดถึงการเดินจงกรมก็ไปดัดแปลงการเดินให้มันไม่เหมือนธรรมดาจะนั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนธรรมดาจะเดินก็ไม่เหมือนธรรมดา จะนอนก็ไม่เหมือนธรรมดาใสกินก็ไม่เหมือนธรรมดามันบังคับกายบังคับใจตลอดเวลาแสดงดูเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมพอเราลงมือปฏิบัติธรรมนะเราจะเริ่มด้วยการบังคับตัวเองเกือบร้อยละร้อยเลยพาลงมือนั่งก็จะเริ่มต้นอยูบังคับร่างกายก่อต้องน WH right ั่งท่าน <Somehow, he S 1> ี้นะแล้วก็เริ่มทะลอะอันนิ้วก็จะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่อย่างนี้นี่อยู่อย่างนี้อมีหลายแบบ เริ่มเสียงกันในเรื่องที่นันเซนมากไปได้เรื่องไปบังคับตัวเองเวลาจะเดินโจงกรมพ่อแม่สอนให้เดินมาตั้งแต่เด็ก เ, เดินเก่งเดินช็อปปิ้งวันหนึ่งหลายชั่วโมงก็ได้พอเดินโจงกรมนะงานแทกที่ทําระหว่างฟอร์บ <c oughs> แล้วก็เริ่มเสียงกันมือจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่อย่างนี้ได้ออยู่อย่างนี้เออนะเสียงกันเสียงกันที่ปลือก เริ่มต้นปรบังคับร่างกายสําเร็จแล้วต่อไปบังคับใจนั่งได้ดีแล้วก็บังคับใจนะบังคับเวลาจะเดินจงกรมใช่ไหมอวางฟอร์มเข้าที่แล้วะก็บังคับใจอ่ะบังคับกายเสร็จแล้วก็บังคับใจต้องคลึคืนไว้ก่อนคืนไว้ก่อนพ่อสอนไว้แล้วคืึ่งเหล่านี้นะทำให้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจ เราห้แทรกแสงกายแทรกแสงใจเสียแล้วการปฏิบัติธรรมที่เราเจอได้ประจักษ์ตัวเองค้นพบตัวเองนะเราต้องต้องดูตัวเองอย่างที่มันเป็นร่างกายมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองกายก็นิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจก็นิ่งกว่าความเป็นจริงเราพลาดนะเพราะสิ่งที่พลาดมีสองอันนะหลงไปเผลอไปลืมกายลืมใจ เวลาใจลอยรู้สึกไหมเวลาใจลอยเรามีร่างกายเราลืมมันไปแล้จิตใจเราจะสุขจะทุกข์จะ ด, จะดีจะชั่วเราไม่รู้เราลืมมันไปแล้วเนี่ยศตรูบเบอร์หนึ่งสตรูเบอร์สก็บังคับกายบังคับใจให้มันเครียดเครียดในภาษาบาลีสุตโตมาข้างลงไปตามกิเลสไปนี่วัฏกรมาสุขหวิการนโ ย, โยุสุตโตมาข้างบังคับกายบังคับใจเรื่องัตต า, ากิลมฐานนิยุก สองสิ่งนี้คนะือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าบัญญัติชิตไม่ควรเสพในพวกเราก็ ถ, าถือเป็นบัญญัชิตด้วยก็เรากันนะเป็นนักปฏิบัติไม่ถึงขนาดออกบวชเราก็เป็นนักปฏิบัติแค่อสองสิ่งนี้เราไม่ออกอย่าให้จิตสุดตรงไปสู่ความสุดตรงสองข้างข้างตามใจกิ เ, นเลนเผลอเพไปลืมตัวเองกับข้างข่มกายข่มใจบังคับกายบังคับใจทํากายให้ลําบากทําใจให้ลําบาก สังเยตไม่เดินช h o ป p ิ้งได้หลายชั่วโมงได้เดินจงกรมนะสินาที2 0นาทีจะตายแล้วเครียดจะตายแล้วเพราะมันทำตัวเองให้หลาบากทางสายกลางอยู่ที่การรู้ตามความเป็นจริงการรู้ตามความเป็นจริงร่างกายเรามีอยู่แล้วร่างกายเราหายใจอยู่แล้วร่างกายเราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วเราไม่ลืมมันแค่ไม่ลืมมันแต่อย่าไปจ้องมัน แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันนะจะไม่เฝ้าจ้องแบบแม้คราสสายตาแค่รู้สึกคำว่าแค่รู้สึกเนะี่ยมันเป็นดีกรีของการรับรู้ครับ ถ, ถ้าจ้องเนี่ยจ้องจ้องเอาแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจไม่ใช่ลงไปแล้ก็ไม่ได้จ้องไวนะ้แค่รู้สึกงินความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากเลยถ้าเราไม่แค่รู้สึกนะั้นรา ก็เพ่งแรงไปแต่ไม่ก็หลุดไปเลยเสือไปเลยอ่อนไปขนาดนี้สังเกตไหมตั้งใจฟังไหมส่วนหนึ่งจิตใจวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อส่วนหนึ่งจิตใจหนีไปคิดรู้สึกไหมฟังแล้วก็ไหลไปคิดฟังแล้วก็ไหลไปคิดขณะที่เราไหลไปคิดสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจตัวเองขณะตั้งใจฟังหลวงพ่อเราลืมกายลืมใจตัวเองรู so so so you know ้สึกไหม เมื่อจะทั้งตั้งใจฟังธรรมะนะจินเป็นกุศล น, นะยังลืมกายลืมใจเลยในพยายามค่อยๆรู้สึกแต่ว่าการฟังธรรมเนี่ยก็ต้องฟังแบบที่ตั้งใจฟังอย่างนี้แหละแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงนี่ยไปตั้งใจจ้องตลอดเวลาไม่ได้นะเอาแค่รู้สึกแค่รู้สึกพยายามหน้าแค่รู้สึกแต่ถ้าเพ่งนะน อย่นี้เกิดไปอย่างนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกหรอกแค่รู้สึกถ้าเราแค่รู้สึกนะใจจะปลงโล่งเบานะแต่ถ้าเพ่งจอนะ้องใจจะแน่นใจจะหนักถ้าเราวัดตัวเองได้เลยถ้าเมื่อไหร่ใจมันหนักหนักแน่นๆลงมือปฏิบัติแล้วหนักหนักแน่นๆนะ่ะของเกเรละของปลอมลนะกลายเป็นเพ่งมากไปในะจกินข้าวบนะางคนบางคนไปเรื่ยจากันไม่ฝึกกรรมฐานอะไรมารู้ กับจริรู้เหมือนกั น, นะจะบอกไม่ได้คินข้าวเช้าแล้วแปลงฝันนะแค่แปลงฝันให้เจอเพื่อนกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเก็บแปลงฝันให้เสร็จเงือกนะโคตรตายเงือกแห้งพอดีมันผิด ธ, ธรรมชาติอย่าไปคิดว่าธรร ม, มนะนี่ครับผิดธรรมชาติธรรมดานะของธรรมดาที่สุดเลยมันมันง่ายจนยากง่ายจนเราคิดไม่ถึงว่ามันง่ายขนาด น, นี้ เราไปวาดภาพอะไรเสื้อหรูหรายุ่งยากไปหมดเลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นเลยยกตัวอย่างให้ฟังง่งงายๆเลครูเช่าสอนนะตูการะพิสูจทั้งหลายเมื่อหายใจออกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวยากตรงไหนอ่ะท่านสอนอง่ายๆเลยพิสูจทั้งหลายให้ครูบรรลังครูบรรลังคือ น, น, นั่งสมาธิทําไมต้องนั่งสมาธิเพระาะพระสมัยนั้นไม่มีเก้าอีนะ้จนัก คนแข็งคนอินเดียเขาพนักกับพื้นก่อนนักโบนทั้งหล่ยเขานั่งกับพื้นท่านก็สอนให้นั่งกับพื้นนั่งกับพื้นเราบอกพิกซูเท่าไหร่จงนั่งทับเพียบไม่ไหวใช่ไหมนั่งไม่สบายนั่งไม่ได้นานให้คู่บัลลังก์นั่งสมาธิเป็นท่านนั่งที่สบายที่สุดสําหรับการนั่งที่พื้นผู้บัลังตั้งกายตรงๆดารงสติเฉพาะหน้าไม่ได้บอกให้เพ่งนะว่าให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าแค่รู้สึกรู้สึกถึง ตั้งกายที่กําลังหายใจอยู่คูบันลังตั้งกายตรงกำรงสติเฉพาะหน้าไม่มีคำว่าหลับตาด้วยะของเราตั้งแต้คุปต์้งหลับตาไว้ก่อนทำไมต้องหลับตาไว้ก่อนเพราะมันชินเมื่อก่อนดูหนังจากอย่างงงงมากนะเห็นลือสีที่ไรต้องนั่งหลับตา น, ะนานเท่าไหรย่ยิ่งดีหวนวดยาวนกกรจอกไปทําลางได้นะ่าถือว่า ย, ยอวเยียมเลยมันไม่ได้เรื่องเท่าไรหร่หรอก เราจะทำเกิดที่พระเจ้าสอนแค่สอนของง่ายเท่า น, นั้นเองพิสูจน์ทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดงําองสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายา ว, ายา ว, ยาวแค่ ร, ครู้แค่รู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจใจเรารู้สึกอย่างสบายๆรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่ไม่ได้สอนวัดพิสูจนทั้งหลายเพ่งไว้เพ่งไว้รูกนะเพ่งหรือพิสูจนทั้งหลายปล่อยใจให้เคลิ้มนะ นั่งรับปลยใจเคลิบไม่เคยสอนในสิ่งเหล่าเนี้ยแต่พวกเราทำสังเกตไหมตอนเรานั่งสมาธิปุ๊บนะถ้าไม่บังคับให้เครียดเคียดตึงตึงไว้ก่อนแนละ้วก็เคลิบเลยบางคนชอบปล่อยใจให้เคลิบคิดว่าเคลิบแล้คือสงบเมื่อก่กอนหลวงพ่อหัดตอนเด็กๆนะสังเกต ด, ดูไอ้ตอนที่จิตมันเป็นสมาธิแล้วมันเหมือนเคลิบเลิบนะเลยแก้งเคลิบเลยแก้แกลปล่อยไปนะไปอ ย, อย่างนี้ได้ยิ่งดีมากเลยเ หลับไปชั่วโมงหนึ่งวนเวลาตื่นขึ้นมาของวันนี้สงบแต่จริงวันนี้สลบไปชั่วโมงไม่ได้เรื่องครอกแล้รู้สึกตัวนะของง่ายทั้งสิ้นเลยยิ่สูงเท่าไหายเมื่อจะก้าไปให้รู้สึกนะเมื่อถอยหลังเข้ามาให้รู้สึกไหเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนอยู่ คำ่ า, ารู้ชัดเป็นไงรู้ชัดมีรู้สองชนิดซ้อนกันรู้ด้สติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้ถึงการที่กําลังยืนเดินนั่งนอนอยู่นะไม่ขาดสติถ้าขาดสติคือเสลอลืมไปเลยยืนอยู่ก็ไม่รู้เดินอยู่ก็ไม่รู้นั่งอยู่ก็ไม่รู้นอนอยู่ก็ไม่รู้นะขยับมือก็ไม่รู้นะอย่างพวกเรานั่งแล้วกลับเก่าโน่นเก่านี้นะครับนต้องเกาอัตโนมัติเราไม่รู้ แค่แค่แคคอรู้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้รรรได่รู้ด้วยสติได้รู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ด้ปัญญาก็คือเห็นว่าตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างพิสุทธิทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ก็รู้ถึงร่างกายที่เดินอยู่แล้วก็มีปัญญาอย่างรู้ลงไปไว้ตัวที่เดินอยู่นั้นเหมือนกุญยยนต์ตัวหนึ่งตอนนี้ ใจเรา อ, อยู่ตนางหากใจเราเป็นคนดูสบายเห็นได้ตัวนี้มันเดินไม่ใช่เราเดินเห็นได้ตัวนี้มันนั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นตัวนี้มันนอนไม่ใช่เรานอนอยู่ที่ใจนะใจหัดมองให้เห็นไว้ตัวร่างกายเราอาว่าที่ยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนได้เห็นเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนเลยไม่ต้องสอนของท่านง่ายๆนะไม่มีอะไรลึกลับ Lord. หรอกหรือสอนดูจิตดูใจ ภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะแค่รู้เองะแค่รู้เองจิตมีราคะท่านไม่เคยสอนนะว่าภิกษุทั้งหลายอย่ามีราคะไม่ได้สอนอย่างนั้นนะภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามันมีราคะอยู่เมื่อจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่ามันไม่มีราคะ ดุขรพิสูจนทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะท่านไม่ได้สอนบอกว่าดุกราพิสูจน์ทั้งหลายห้ามมีโทสะดูกราพิสูจนทั้งหลายเมื่อมีโทสะแล้วให้รีบละเสียสิ่งที่ทีหลวงพ่อพูดเกิดมาเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทํำเอาละเลยเวลาเราพอวนาคิดทำอย่างไรจะไม่มีกิเลสท่านแค่สอนว่าถ้ามีกิเลสให้รู้ว่ามีกิเลสท่านไม่ได้สอนว่าอย่ามีกิเลส แล้วเมื่อมีกิเลสแล้วท่านก็บอกว่าให้แค่รู้อย่างที่มันเป็นนะมันมีอยู่รู้ว่ามันมีไม่ใช่สอนว่าให้รีบละมันเสี่อนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเป็นของประณีตนะละเอียดอ่อนมากเลยในการปฏิบัติถ้าเราพลาดมนะันจะสุดโต่งไป ข, ข้างบังคับตัวเองทันทีเลยเมื่อให้เกิดกิเลสเนี่ยต้องบังคับตัวเองอย่างแรงเลยนะกิเลสเกิดแล้วหาทางดับเนี่ยก็ต้องบังคับตัวเองอย่างแรงเลย ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตเป็นอนัตตากิเลตก็เป็นอนัตตาสติสมาธิปัญญาเป็นอนัตตาทังสิ้นออกมาสั่งมันไม่ได้อย่างใจชอบแต่ให้รู้อย่างที่มันเป็นจิตมีราคารู้ว่ามีราคาราคาหายไปแล้วก็รู้ว่าจิตไม่มีราคาพตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทอมาระลมจิตมีโทสะรู้ว่ามันมีโทสะพอรู้ทันแล้วโทสะหายไปก็รู้ว่ามันหายไ ป, ยไปทําไมเราแค่รู้แล้วมันดีมันยังไง ทำไมมันดีหรือจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตเวลามีโมหนะมันจะลืมตัวเองจิตไม่มีโมหะมันรู้เนื้อรู้ตัวเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าเวลาจิตมีโมหะก็เป็นจิตผู้หลงหลงคิดหลงเรนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงเพ่งไปดันะั้นจิตหลงไปก็รู้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ความจริงถ้าเราจะปฏิบัติเอามรรคเอาผลนะไม่ต้องทําอะไรเยอะกับ กรรมฐานที่หลวงพ่อพูดมาวี่พ่อพูดให้เจ้าสอนและฟังยกตัวอย่างว่าคุยว่าเจ้าสอนอะไรมาเนี่ยเป็นคําสอนสําหรับคนทั้งหลายคนนะแต่สําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยเราต้องการกรรมฐานดิ่นเดียวเท่านั้นเองยกตัวอย่างคนไหนขี้มโมโหโกรธเก่งนะดูแค่ว่าจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะ ร, รู้ว่าไม่มีโทสะคนไหนโลภมากมีแต่รากคะเจออะไรชอบไปหมดเลยอยากได้ไปหมดเลย บันบันเต็ไปรด้วยความอยากเราก็ดูแค่ว่าจิตมีโลภขึ้นมาจิตมีราคะขึ้นมาก็รู้ราคะหายไปจิตไม่มีราคะก็รู้เอาวันเดียวเอาคู่เดียวไม่ต้องเรียนเยอะนั้กรรมฐานจริงๆสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่เยอะนะไม่ใช่ต้องเรียนให้ครบสติปรรฐานสี่ระดีเป็นพระอรหันต์ไม่มีหรอกไม่มีใครต้องทําอย่างนั้นหรอกท่านกรรมฐานนั้นทําอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองให้พอพอดีพอดีกับที่ใส่เราะขี้โลก โลภโน้นโลภนี่อยากตลอดเวลาจิตมีความอยากให้มาให้รู้ทันตรงที่รู้ทันนะจิตก็หายอยากก็รู้ว่าจิตไม่มีความอยากไม่ใช่ฝึกเพื่อให้หายอยากไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นเอาแค่ว่ามันมีความอยากเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันมีเท่านั้นเองถ้ามันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปนะคนไหนที่โกรธก็ดูไปจิตมันโกรธแล้วมันขัดใจขึ้นมานล้วรู้ว่ามันขัดใจรู้ทันประเดี๋ยวนึงความขัดใจหายไปรู้ว่ามันหายไปแล้ว หรือคนไหนฟุ้งซ่านเก่งเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปคิดคอยรู้ทานจิตที่หลงไปคิดไปจิตมีโมหะแล้วหลงไปคิดอาจจะช่วยมันนิดหนึ่งหากพูดโทรหากหายใจหาดดูท้องฟ่องยุบอะไรก็ได้ไดแล้วเวลาจิตมันหนีไปคิดเราจะได้รู้ได้ไวๆไม่หลงยาวถ้าไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเลยเวลาจิตมันหลงแล้วก็มันจะหลงนานเราะฉั้นถ้าคนไหนจิตมันฟุ้งซ่านมากหลงเก่งอะไรเนี่ยนะหาดพูดโทไปหาด ห, หายใจไป ถ้าจิตมันนี้ไปคิดเล้วพอคอยรู้มันจะได้ไม่หลงยาวไม่งั้นมันหลงวันละครั้งนะหรือตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงครั้งเดียวนักปฏิบัตินะจิตหลแวบหลงไปคิดเรารู้ทันจิตหลงไปคิดกอเกิดเป็นจิตรู้ขึ้นมาเดหลงใหม่แวบรู้ทันก็เกิดเป็นจิตที่รู้ทันขึ้นมาทั้งวันจิตมีสองอย่างเองนะจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึก คนไหนขี้โกรธก็ทั้งวันมี connected. จ okay. exemplo, crazy, Alpha, ิตสองชนิดค er si ือจ <on>. ิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธคนไหนขี้โลภทั้งวันมีจิตสองชนิดจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภฝึกไปด้วยไม่ใช่เพื่อฝึกไม่ให้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงแต่ฝึกจนเห็นความจริงไว้จิตโลภก็ชั่วคราวจิตที่ไม่โลภก็ชั่วคราวจิตที่โกรธก็ชั่วคราวจิตที่ไม่โกรธก็ชั่วคราวจิตที่หลงไปคิด ก็ชั่วคราวนะจิตที่รู้สึกตัวที่เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้บับานก็เป็นของโช่วคราวฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นของโช่วคราวนะแต่ว่าเอาคู่ใดคู่หนึ่งที่เรามีมากที่สุดเอามาใช้เป็นฐานเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตขี้โกรธก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเพื่อให้เห็นว่าจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เพื่อให้จิตไม่โกรธนะ ดูไปเพื่อเห็นว่าจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงพวกฟุ้งสร้างก็ดูไปจิตที่หนีพิชิตก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงแล้วบังคับไม่ได้จิตจะหนีพิชิตห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้ตรงที่เห็นว่าไม่เที่ยงนี่ก็เห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าบังคับมันไม่ได้แล้วก็เห็นอนัตตาเห็นอย่างไดก็ได้แล้วแต่ถนัดอันใดหนึ่งนัในอนิจจังทุกขังอนัตตา ทำไมต้องมีจิตสองชนิดเวลาเรียนทำไมเรียนเป็นคู่คู่จิตของเราปกตินะมันเป็นคู่คู่อยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นนะอกมันหลงโรคหลดหลงอะไรทั้งวันกูตลุ่นไปหมดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่ชีวิตของเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันยืนพื้นด้วยจิตหลงจิตหลงเนี่ยไม่สามารถรู้ความจริงอะไรได้เลยเป็นจิตที่ปิดกั้นปัญญาแม้จิตที่ไม่มีโมหะนะคําว่าโมหะเนี่ย สิ่งที่ตรงข้ามกับโมหะเรียกว่าอะโมหะอโมหะก็คือตัวปัญญานั่นเองจิตที่หลงอยู่ไม่มีปัญญาหรอกแล้วถ้าตลอดชีวิตเรามีแค่จิตหลงเนี่ยเราไม่มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามได้เลยนการที่เรามาคอยฝึกนะให้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วแวบเดียวมันลงไปแล้วรารู้สึกขึ้นมาแล้วแวบหนึ่งมันลงไปไอันนี้ดีที่สุดไม่ใช่ฝึกให้เป็นผู้รู้แล้วก็รู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะมีจิตชนิดเดียวคือจิตรู้อย่างเดียวเลย หรือจิตฝึกให้เป็นจิตไม่โกรธเลยฝึกให้เป็นจิตไม่โลภเลยอันนี้ฝึกจิตเพื่อจะเอาเป็นอันเดียวอันนี้ไม่ถ mind, ูกนะเราไม่ได้ฝึกจิตเพื่อให้เป็นหนังเดียวแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าจิตนั้นมันพลิกแปลงตลอดเวลาอย่างถ้าดูจิตโลภเราก็เห็นเออจิตโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกลายเป็นจิตไม่โลภดูจิตโกรธเราก็เห็นจิตโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกลายเป็นจิตไม่โกรธัวจิตหลงเราก็เห็นจิตหลงไปคิดแล้วก็รู้สึกตัว คนละอ่นระหว่างของจิตกับรู้จิตที่รู้สึกตัวนะมันจะทําให้เราเห็นใจหลักได้มันจะพลิกไปคลิกมาพลิกไปคลิกมานะการที่เราคอยเห็นใจหลักของกายของจิตไปเ้วยเองกายหายใจออกก็ไม่เชี่ยงกายหายใจเข้าก็ไม่เชี่ยงนี่ต้อเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่กายหายใจออกก็ไม่ใช่ตัวเรากายหายใจเข้าก็ไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่เยเห็นจิต โรตรวดลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่เที่ยงองมีแต่ของไม่เที่ยงหรือเราบังคับไม่ได้จิตโรตรวดลงเราบังคับไม่ได้จิตรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้นี่เห็นอนัตตาได้เฝ้ารู้ลงไปนะเราเรียนรู้ความจริงของตัวเองความจริงของตัวเราเองก็คือไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาเท่า น, นั้นเองพอเรียนมากเข้ามาเข้าแล้วปัญญามันจะเริ่มเกิด จะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่กระทั่งร่างกายจิตใจของเราเนี่ยก็เป็นของชั่วคราวร่างกายหายใจออกก็เป็นของชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวร่างกายมีความสุขร่างกายมีความทุกข์ก็ชั่วคราวจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์ก็ชั่วคราวจิตโลภก็ชั่วคราวจิตไม่โลภก็ชั่วคราวจิตโกรธก็ชั่วคราวจิตไม่โกรธก็ชั่วคราว จิตหลงไปก็ช่วคราวจิตที่รู้สึกตัวก็ช่วคราวเนี่เรียนอย่างนี้นะเนียนยไปหรือจิตจะโลภเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้จิตจะหายโลภเราก็ทําให้หายไม่ได้มันหายของมันได้เองนะี่เฝ้าดูอย่างนี้เห็นอนัตตาจิตจะหนีไปคิดก็หนีไปคิดเองไม่ได้เจตนาห้ามมันไม่ให้คิดมันก็จะคิดบังคับมันไม่ได้นี่แสดงอนัตตาเนีย่ยเฝ้าดูลงไปเลยนะตัวนี้แหละเป็นวิธีการที่เราจะเรียนรู้ตัวเอง ถ้าเราเรียนรู้ตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานั้นประกอบด้วยรูปธรรมบางนำมาทำบ้างจำนวนมากมีรูปธรรมจำนวนมากมาประกอบกันเป็นร่างกายของเรามีธาตนะุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมตั้งอยู่ในสเปซในอากาศสาุธาส่วนจิตใจเราก็มีหลายอย่างมาประกอบกันมีความรู้สึกสุขทุกนะมีความจามีความคิดนึกปรุงแต่ง มีความรับรู้ที่มาประกอบกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะร้อแต่เกิดเรากระดับทุกสิ่งทุกอย่างร้อนแต่เม็ดเที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นเลยร้อนแต่เป็นไปนตามเหตุเราจะเรียนรู้ตัวเองจนวันหนึ่งเราพบว่าตัวเราไม่มีตัวนี้อัศจรรย์ที่สุดเลยคำว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยคําว่าไม่มีหมายถึงไม่มีสิ่งซึ่งเป็นตัวตนถาวมรรท่าตราบใดมีเหตุ เก็ยังมีอยู่ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีตัวอย่างก็ดับลงไปเพราะฉะว่าไม่มีคําว่าไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรไม่ใช่ประมานอซซิ่งนะแมายถึงไม่มีอัตราตัวตนที่ถาวรมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับลงไปเพราะฉะนั้นปรากฏการของโลกทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเรามันก็ลักษณะเดียวกัน คือมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุมันก็จะดับสลายไปในกายใ น, ในใจของเราก็เป็นแบบเดียวกันมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับสลายไปเราเข้ารู้ออกไปนะจนเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตของเรานะทั้งสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกเนยะล้วนแต่เกิดจากเหตุแล้วก็หมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้มีแต่ความแปรพลวนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าจยอมรับตรงนี้ได้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยจิตเราจะไม่หวั่นไหวร่างกายนี้จะแ ป, ปรรูปจะแก่จะเจ็บจะตายจิตนี้ไม่หวั่นไหวหรือเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักมีครอบครัวบางคนลูกตายลูกตายนี่ทุกข์ที่สุดเลยนะตามสถิติเท่าที่สังเกตดูถ้าลูกตายเนี่ยเป็นความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดเลยถ้าพ่อแม่ตายเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ไม่แรงมาก สามีปัญญาตายบางทีเป็นความสุขอันนี้เอาไม่เอาแน่ไม่ได้นะเมื่อกี้ก็ทุกข์บนก็ทุกม์บนก็สุขแล้วพ่อแม่ตายบางทีก็ดีใจหน่อยๆเจ็บมาแลนวไม่รู้จักตายสักจีเป็นภาระแต่ลูกตายในนั้นทุกข์จริงๆเลยตามสติใครมีลูกบ้างใครคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเรา แค่คิดก็กลัวแล้วรู้มึกไหคิดก็หวั่นไหวแล้วนะได้เวลาถ้าคิดว่าพ่อแม่จะตายก่อนเราวันไหวมากไหมไม่เท่าไหร่หรอกงั้นในชีวิตเรานเนี่ยนะมันเกิดอะไรซึ่งนึกไม่ถึงอะไรได้เสมอใครจะรู้ว่าลูกจะไม่ตายก่อนแต่ถ้าจิตเราฝึกตีแล้วถ้าลูกตายเราก็เห็นนะเออลูกเขาทำหน้านที่ของเขาแล้วเขาอยู่กับเรามาช่วงหนึ่งนะให้ความสุขให้ความทุกข์กับเรามาพอประมาณนะอันนี้เขาแยกไปล้อันนี้ จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่เราใครมาอยู่อเมริกาเนี่แบบไม่มีความสุขเห็นไ้มจําใจมาต้องมาเรียนต้องมาทำมาหากินอะไรเงี้ยอยู่นานๆก็ปรับตัวได้ก็มีความสุขขึ้นมาได้คนไทยปรับตัวเก่งเหมือนน้ําน่ะซึมไปได้ๆแพร่ก็แพรคนจีนหรอเข้าเก่งจริงเพราะงั้นออกมาเรียนนะ ภาเียนมาสังเกตของจริงในกายในใจของเราจนเห็นเลยทุกอย่างเป็นของชั่วคราวของจริงนั้นแสดงตัวอยู่แล้วไม่ต้องแกล้งทำไม่ต้องแกล้งเพราะงั้นเวลาปฏิบัติจะเดินจงกรมเดินไปแล้วก็เห็นไปแลาร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปไม่ต้องแกล้งเดินท่านนั้นท่านนี้จะนั่งอยู่ก็ไม่ต้องแกล้งนั่งท่านนั้นท่านาา น, าา น, าานี้ถนัดท่านไหนก็ท่านนะใครรู้จักรหลวงพ่อคูณมึง เห็นเห็นเห็นรูปไหมหรือว่าคุณนั่งท่านนั้นเก่งเนาะให้หลวงพ่อไปนั่งท่านนั้นกคงดีลังกาเลยแล้วท่านตั้งท่านนั้นได้เถานว่าท่านนั่งหนึ่งทําสมาธิได้ไหมทําได้เห็นมทําไมไม่คูปันลังตั้งกายตรงอนั่งคุกเข่าก็เรื่ออะไรนั่งหยองหยองถ้านั่งของท่านได้ไม่เกี่ยวเลยไหมอยู่ที่ใจ นั่นอิริยาบทท่าทางอะไรเนี่ยเป็นเรื่องรองนะอย่าไปดัดแปลงเันเราถนัดนั่งเก้าอี้เราก็นั่งเก้าอี้ภาวนาหลวงพ่อไม่ถนัดนั่งพื้นโดยหุ่นแล้วไม่เหมาะกับการนั่งพื้น น, นั่งเก้าอี้เดินจงกรมล่ะโดยหุ่นหลวงพ่อเดินจงกรมไม่เ ก, ก่งหรอกมันเป็นกรรมพันนะกินข้าวน้อยกว่าลูกศิษย์หลายเท่าเลยแต่ตัวเอาตัว เ, เอาลูกศิษย์นีพร้อมหม <laughs> บอานั่งไม่ถนัดไม่เดินไม่ถนัดหลนั่งเยอะนี่พอนั่งสมาธิมัน ท, มที่อึดเฉลิมง่ายพออายุเยอะขึ้นนะนั่งนิ่งๆเฉลิมหลวงพ่อใช้วิธีเคลื่อนไหวไม่ขยับอย่างหลงพ่อเทียนเนะี่ยถ้าเสพสีจังหวะขยับเร่ลาลาคาญเพราะจิตเป็นพวกโทสารจริตเท่าโทสารจริตหลวมีพัดอยู่อันนี้ไม่มีนะเขาเห็นว่าหนาวถ้าอยู่ที่ว่าจะมีพัดเนี่ยพัดถ้าเรารู้สึกตรวจ เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกใจดีเพแล้พัดล้วใจหนีไปแล้วรู้สึกแค่นี้เองนง่ายงแค่นี้เองไม่เห็นต้องเดินสวยงามเท่านั้นเท่านี้เลยขยับต้องแค่แค่รู้สึกนี่เลยมันก็เต็มภูงของการเดินจงกรมที่ทํานะแค่รู้สึกพยักหน้าอยู่แค่รู้สึกเคลื่อนไหวอยู่แค่รู้สึกเป็นสุขขึ้นมาแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขแค่รู้สึกว่ามันมีความทุกข์ถ้าแค่ยินแค่รู้สึกเท่านั้น ไม่เพง่งไม่จ้องไม่บังคับไม่กดข่มถ้าเพ่งจ้องเนจะแน่ถ้าแน่นเราผิดหรอวตึงเกินไปแต่ถ้าใจลอยไม่รู้สึกอันนี้หย่อนเกินไปนะเพราะอย่าให้ลงไปสองข้างนะอ่อนเกินไปเบาไปหลายใจลอยไปไม่รู้สึกเพ่งแรงไปนะมันเกินรู้สึกธรรมดาลวอันนี้ตึงเกินไปอย่าให้ใจหลงไปสุดตรงสองฝัง่งเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยง่ายมากเลยเวลาที่เรา หากรู้สึกตัวนะวันนี้เรางพ่จะพูดเรื่องดูจิตให้ฟังการดูจิตจริงๆเนืทําได้สารพัดเลยดูจิตเพื่อให้เกิดสติก็ได้ดูจิตเพื่อให้มีศีลก็ได้ดูจิตเพื่อให้เกิดสมา ธ, ธิก็ได้ดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญาก็ได้นะไม่เหมือนกันการดูจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะดูไม่เหมือนกันอย่างพวกเราได้ยินคาว่าดูจิตแล้วเราไม่รู้ฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจว่าแต่ละอย่างมันแตกต่างกัน ดูจิตให้มีสติเนีเมื่อต้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก็ได้จะพุดโธจะหายใจอะไรก็ได้นะพูดโทรพูดโทรจิตมันไหลไหเรารู้สึกจิตมันหนีไปเรารู้สึกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราดูที่ตัวจิตตรงๆเลยก็ได้จิตเป็นสุขขึ้นมาคอรู้จิตเป็นทุกข์ขึ้นมาคอรู้จิตดีขึ้นมาคอรู้จิตชั่วขึ้นมาคอรู้ครรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเลยใช้จิตเป็นฐานใช้จิตเป็นวิหารธรรมโดยตรงเลย เราดูความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกลิ่เปลี่ยนต่อไปความรู้สึกมันเปลี่ยนนิดเดียวนะเราไม่ได้เจนตนาจะรู้เลยมันรู้ขึ้นเองตรงที่ไม่ได้เจนตนาจะรู้แล้วรู้ขึ้นได้เองนี่แะเรียกว่ามีสติแล้วแต่ถ้าจงใจจะรู้ไปจ้องตลอดเวลาจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างๆเพราะ้การดูจิตดูใจเนะี่ยอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตนะอย่าไปจ้องอยู่ที่จิต ให้ตาหูจะมูกลิ้นกจใจกระทบอารมณ์ไปก่อนแล้วเกิดความรู้สึกแปลกปลอมขึ้นในใจก็ค่อยรู้เอาค่อยรู้สึกเอาอย่าไปรอดูการดูจิตดูใจไม่เหมือนดูกายดูกายเราดูลงปัจจุบันได้เลยมันมีอยู่แล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอยู่แล้วถึงเราจ้องอยู่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่การดูจิตนั่นยันจ้องจิตถ้าไป็จ้องจิตไปดักดูจิตไปรอดูจิตมันจะไม่มีอะไรเลย การดูจิต น, นี่เป็นกรกรมฐานที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยนะในการดำารงชีวิตธรรมดานี้นะขับรถอยู่คนปาดหน้าปุ๊บจิตมันโกรธเนะี่ยเรารู้ทันจิต ท, ที่โกรธที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไปรอดูขับรถออกไปแต่เมืองนี้ไม่ค่อยดีขับรถไม่ค่อยมีใครปาดนะทำกรรมฐานยาก <laughs> คือคนไทยกรรมฐานง่ายมันปาดซ้ายทีปาดขวาทีเห็นอะไระ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะ ย, ยกตัวอย่างอะไรห า, ราดูยากทีเดียวดู ม, มันเรียบๆเรือเดินผ่านไปนะเห็นดอกไม้สวยใจมันชอบรู้ว่าชอบเนี่ยลมหนาวมาแล้หนาวไม่มากสบายใจรู้ว่าสบายใจหนาวจัดไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจนี่คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเลย การที่เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราแนละ้วจะสูงเกิดขึ้นก็รู้ทุกเกิดขึ้นก็รู้กุศลเกิดขึ้นก็รู้โลภตรวหลงเกิดขึ้นก็รู้เนี่ยต่อไปมันจะรู้โดยที่ไม่ต้องเจตนารู้นะเกิดอะไรขึ้นนิดเดียวมันจะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนปับ๊บเราจะรู้เองนี่ฝืนนี่นะสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นสตนะไิได้เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราหันรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยๆเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาและพิมุตต์มันจะเกิดขึ้น ด้วยจิตยังไงถ้เาเกิดศีลแต่เวลาคนทําผิดศีลเนนะี่ยเพราะว่ากิเลสครอบ ง, งาจิตอย่างความโกรธครอบ ง, งาจิตนนะั้นก็ไปด่าเขา้าไปตีเขาไปทําลายทรัพย์สินเขาทําได้ทุกอย่างความโลภเกิดขึ้นครอบ ง, งาจิตก็ไปขโมยเขาเป็นชู้เขาอะไรเนะี่ไปเอาทรัพย์สินเขาหรือไปข่าเขาเพื่อจะเอาทรัพย์สินทําได้ผิดศีลขึ้นมาหน้าที่ผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสครอบ ง, งาจิตได้ ยังถ้าเราคอยรู้ทันจิตเรืเลยอะไรแปลกปลอมเข้าในจิตรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้าในจิตรู้สึกนี่ยเพราะกิเลสแปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเนี่ยเรารู้สึกทันทีที่รู้สึกในกิเลสจะกระเด็นออกไปเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะหนีเองกิเลสเนี่ยมันร้ายจริงนะแต่มันขี้หายถ้าเราเห็นมันรู้ทันมันถ้ามันหนีเลยแต่มันมันดื้อนะถ้าเราไปต่อต้านมันเมื่อไหร่มันซัดเราเล็กเลยงั้นเวลาสู้กิเลสเนี่ยอย่าไปต่อต้านมันตรงๆแค่รู้สึกเท่านั้น กิเลสเหมือนน้ำนะถ้าเราไปกั้นเขื่อนนะ้นําเกิดพลังต่อต้านรุนแรงเลยถ้าปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติมันก็ไม่รุนแรงกิเลสไหลไปตามธรรมชาติเราแค่รู้อยู่นะไม่ตามมันไปไม่รุนแรงหรอกองั้เราคอยรู้ทันนะถ้ากิเลสไหลมาเรารู้ไหลมาเรารู้มันก็ไหลผ่านไปได้อย่างนี้ยใจจะเกิดสีขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วถ้าจิตของเราไหลออกนอกจิตเราไหลออกไปอย่างขนาเ น, นี้ เดี๋ยวก็วิ่งมาดูหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็วิ่งมาฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดสลับไปสลับมานะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นถ้าเราหาดดูจิตนะถ้าเราเห็นกิเลสมาเรารู้ทันนะเราจะเกิดศีลขึ้นถ้าเราเห็นจิตเนี่ยฟุ้งซ่านออกไปไหลออกไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจอนะไรเนี่ยจะได้สมาธิได้ความตั้งมั่นขึ้น แล้วดูจิตให้เกิดปัญญาแล้วก็คอยรู้ลงไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจิตกับทั้งแต่ทั้งตัวจิตเองเลยเกิดเราก็จับไปตัวจิตเองเช่นเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเนะี่ยรู้จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็าหายจิตผู้คิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่เรียกว่าเดินปัญญาอยู่นะเห็นไตรลักษณ์เห่งความไม่เที่ยงเห็นความบังคับไม่ได้หรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตเรารู้ทันมันก็เห็นเลยความสุขความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เรียกว่าเดินปัญญาอยู่ จะเห็นว่กูศ่ทั้งหลายนะศรัทธาวิริยะสติอไนะไรเงีนะ้ยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาใช่ไหมศรัทธาของบุตรชนเป็นอย่างนั้นบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธานะขึ้นกับผลประโยชน์เป็นสําคัญถ้าผู้เจ้าสอนอะไรขัดผลประโยชน์เราเราก็ไม่ศรัทธาวันนี้นะวันนี้ศรัทธาวันนี้ไม่ศรัทธาวันนี้มีความเพียรวันนี้ขี้เกียจวันเดียวกันวันทีก็มีหลายอย่างใช่ไหม ตั้งใจแล้วตอนนี้มีศรัทธาแล้วจะมีความเพียรอยากอยากเดินจงกรมแลตั้งใจว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เดินไปห้านาทีวิริยะหายแล้วนอนดีกว่าเนี่ยนี่ ก, ก็ไม่เจี๊ยงนะให้รู้ทันอกไปรู้ทันออกไปอากุศลก็ไม่เจี๊ยงโลภโกรดลงมาแล้วก็ดับเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่การเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจเนี่ยเราดูได้สองอย่าง อันหนึ่งดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดร่วมกับจิตใจของเรานะอันหนึ่งดูตัวจิตเองตัวจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เ, เกิดดับไปเรื่อยการที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับนั่นแหลเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนะฉันดูจิตนะดูทีแรกคอยรู้ทันอะไรแฝงปลอมรู้ทันจะได้จะได้สติพอมีสติแล้วแับไปถ้าเหตุกิเลสมาแล้วรู้ทันเลยกิเลสผ่านไปเลยเราจะมีศีลขึ้นมา ถ้าเรามีสติรู้ท่านจิตที่ไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังเราจะได้สมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อนะก่อนที่หลวงพ่อมานี้นะสักสาสี่เดือนก่อนหลวงพ่อเจอคุณแม่จันดีคุณแม่จันดีเป็นนอ้องของหลวงตามหาบัวท่านภาวนาเก่งมากนะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลที่ท่านชับพูดถึงหลวงพ่อให้โยมฟังโยมคนไหนไปด่าหลวงพ่อให้ท่านฟังแนละ้วท่าน ฟะสูอยอดโตนอรอกนะท้ายก็เลยคนก็เลยเลิกด่างของพ่อไปเยอะ น, น, นี่ก็ไปเยี่ยมท่านบ้างท่านบุษบาพูดถึงเราบ่อยๆเยี่ยมท่านก็ถามหลวงพ่อว่าท่านภาวนาแบบไหนทําไมจิตเหมือนกันจิตเหมือนกันค่ะคุณแม่มันลงที่เดียวกันได้ยังไงหลพ่อบอกหลวงพ่อเริ่มจากรู้ลมหายใจนะได้แต่เด็กหายใจ ใ, ใจเข้าอะไรใจออกก็ได้พอใจเริ่มสงบเนี่ยลมมันจะตื้นตื้นต้นไปอยู่ที่จมูกเนี่ยอยู่ตรงจมอยปากจมูกเนี่ยต้องกลายเป็นแสงสวาง่างพอเป็นแสงสว่างนะแล้วเรามีสติอยู่ไม่เคลิมไปนะแล้วจิตเคลื่อนไปเราดูทันก็ตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปรูทันก็ตั้งมั่นเนี่ยได้สมาธิขึ้นมาถ้าเจริญมาเจริญปัญญาท่านบอกถ้างั้นอันเดียวกันลงตามมหาบัวสอนให้ท่านพุโทโธ แล้วจิตตั้งไว้ที่นี่นะพุโทโธพุธโทโธที่จิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันหลักเดียวกันนึกออกไหมแต่กรรมฐานเบื้องต้นคนละตัวกันท่านจากพุโทโธหลวงพ่อจาับหายใจเสร็จแล้วมันมาลงที่เดียวกันจิตที่มันสงบแนละ้วมันจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นเป็นแสงสว่างแนละ้วจับอยู่ที่แสงสว่างแต่ไม่ได้ไหลเข้าไปในแสงสว่าง น, นะถ้าไหลเข้าไปที่แสงสว่างนนีะ้จิตจะออกนอกเจะไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกเรารู้สึกตัวมีสติอยู่ดํารงสติเฉพาะหน้าจิตไม่ไหลไป แต่ถ้าจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตถ้าได้สมาธิ εί, ถ้าจากนั้นมาเจริญปัญญาท่านเจริญปัญญาด้วยการดูกายหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเจริญปัญญาคนละแบบกันนะแต่ทำสุดท้ายมันจะมาที่เดียวกันได้นะมันจะมาลงที่เดียวกันได้อยู่ที่เราฝึกที่ฝึกแล้วแต่จริตนิสัยแล้วใครถ้าหลวงพ่อเนี่ยฝึกมาด้วยการดูจิต การดูจิตนะ่มันไม่ใช่ของดีวิเศษที่สุดหรอกไม่ใช่โซลูชันสำหรับการปฏิบัติของทุกๆคนแต่มันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนรุ่นในเมืองคนพวกไม่อยากใช้คาว่าปัญญาชนนะเพราะบางทีเราก็อีเดียดเหมือนกันนะคือพวกคิดมากนะเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกที่คิดมากเวลาเราคิดแต่ละครั้งความรู้สึกเราจะเปลี่ยน กิเลสก็เกิดกุศลก็เกิดสุขก็เกิดทุกข์ก็เกิดกก ด, ดีก็เกิดชัว่วก็เกิดอนะไรเนี่ยมุนอยู่ในใจเราทั้งวันเราใครรู้เราจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายจะเห็นเลว่าทุกอย่างชั่วคราวนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวจิตที่เป็นผู้รู้ก mm hmm. ็ชั่วคราวจิตที่เป็นผู้คิดผู้หลงผู้เพ่งก็ชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูไปจนเห็นแล้ทุกอย่างชั่วคราวถ้าดูไปมากพอนะในที่สุดมันจะเกิดมากเกิดผลขึ้น เงินอยู่ที่เราทําให้พอนะหาดดูหาดดูอะไรแปรปรวนขึ้น ใ, ในใจพอรู้ก็ได้สติกิเลสมาเรารู้ทันเราจะมีศีลจิตส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้ทันเราจะได้สมาธิแล้วเราเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเรานะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ทั้งจิตที่เป็นผู้คิดเกิดแล้ประดับทั้งสิ้นที่เราจะได้ปัญญาถ้าปัญญามากพอนะ จะเกิดมากเกิดผลขึ้นมากผลนั้นไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นะอย่าว่าแต่จะสั่งให้เกิดมากผลเลยสั่งให้จิตโกรธยังไม่ได้เลยต้องทําเหตุให้จิตโกรธจิตถึงจะกโกรธได้อยู่ๆโกรธไหมอ้าวโกรธโกรธเลยโกรธทุกคนโกรธแล้วโกรธไม่ได้ต้องกระทมอารมณ์ที่ไม่ดีก่อนแล้วก็ต้องอา ร, รมณ์ไม่ถูกใจแล้วก็ไปตรึงในอา ร, รมณ์ที่ไม่ถูกใจมันถึงจะโกรธ ไม่มีใครมากระทบเลยอยู่ๆก็ตรึกในอารมณ์ที่โกรธก็โกรธเกิดมาได้ใคยมีคนไปถามผู้เจ้านะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามมาราคะไหมท่านตอบว่าดูก่อนท่านเราไม่มีการมาราคะเพราะเราไม่มีกามาวิตกท่านบอกท่านไม่ได้มีกามาวิตกท่าไม่ได้ตรึกในกาเมเพราะเนี่ยโทสะจะเกิดได้ก็ต้องมีพยาบาทวิตกนะงั้นมันอยู่ที่เหตุทั้งหมดเลย แต่ถ้าเฝ้ารู้เฝ้ารู้นะจะเห็นวนะ่ทุกอย่างมีเหตุกับผลเหตุกับผลทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เพราะฉะนั้นมรรคผลเนี่ยก็ไม่มีใครสั่งให้เกิดได้เขาเกิดของเขาเมื่อเหตุของมันพร้อมเหตุของมรรคผลก็คือศีลตัว อ, อัตโนมัติสติสมาธิปัญญาเนี่ยอัตโนมัติหมดเลยนล้วเรามาฝึกอย่างตอนเนี้เราฝึกนะบางทีก็มีสติใช่มบางทีก็มีสมามธิบางทีก็เดินปัญญาบางทีก็โง่ไปเลยนะแปรปรวน ถ้ า, าฝึกกันชำนาญ น, นะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันแล้วประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันอริยามรรติจะเกิดเวลาที่อริยามรรติจะเกิดเนี่ยธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ยจำนวนมาก30มสิบกว่าตัวนะจะเกิดร่วมกันในขณะเดียวกันที่จิตดวงเดียวกันนั้นเลยจิตเพราะฉะนั้นจิตที่จะส่งตัวนี้ได้นะต้องเป็นจิตที่ทรงสมาธิอย่างแท้จริงจิตที่ส่งชานถึงชาน ในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยถึงเราจะเข้าฌานไม่เป็นมา ก, ก่อนเราเห็นจิตเกิดดำแต่ในนาทีที่อริยมรรคเกิดนั้นจิตจะเข้าฌานเข้าเองนะเข้าเองเลยครัอัตโนมัติเลยแต่เข้าไม่นานหรอกนะกระบวนการแห่งอริยมรรคเนี่ยสั้นนิดเดียวเร็วกว่าฟ้าแลบอีกที่ล้างกิเลสแลจิตรวมเข้าถึงจิตแล้วเนี่ยสติระลึกอยู่ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาจะระลึก จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาจะตั้งมั่นคือไม่ไหลไปไหนโดยที่ไม่ได้บังคับเลยนะปัญญาเกิดขึ้นที่จิตโดยไม่ได้มีเจตนาจะพิจารณาอะไรจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับมันจะไหวตัวขึ้นมาภายในเนกะิระดับเกิดระดับสองขนาดสามขนาดเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติเนี่ยจะเกิดได้เมื่อเราฝึกฝนให้มากพอนะบางคนฝึกตั้งเจ็ดวันถึงจะได้อัตโนมัติตอนนี้บางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีนะฝึก งั้นฝึกไปเร่นะถึงวันหนึ่งที่สติสมาธิปัญญาเราเป็นอัตโนมัติแล้วมันเกิดประชุมพร้อมกันในขนาดเดียวกันมันจะล้างกิเลสได้ลําทางสติอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงสมาธิอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงปัญญาอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงต้องระดับมรรคถึงล้างกิเลสได้จริงล้างแล้วล้างเลยไม่ไม่มีต้องมาล้างอีกแล้วอย่างเวลาเราโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธแล้วความโกรธหายไปอันนี้ล้างด้วยสติ โกรธขึ้นมาเราเจริญเมตตาความโกรธหายไปอันนี้ล้างด้วยสมาธิโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ดูความโกรธก็ไม่ใช่จิตความโกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่โกรธก็ไม่ใช่ตัวเราเลยหายโกรธทําไมหายโกรธลืมเลิกตือให้คนที่โกรธไม่มีพยาบาททิ่ตกความโกรธหายเราก็หมดจตกมาบอกเราเจริญปัญญาอยู่ความจริงเหตุมันขาดไปแล้วอย่างนี้เดี๋ยวอะไรก็มาใหม่ เราดับความกิเลสไปด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเยนะเดี๋ยวก็มาอีกแต่ถ้าดับได้มากแล้วขาดแล้วขาดเลยนะไม่ขาดซ้ําอีกแล้วไม่มีขาดซ้ําอีกมันวมาผลนิพพานไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําไดนะ้ธรรมะที่ครูที่เจ้าสอนนะเป็นธรรมะที่พอดีพอดีสําหรับคนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สําหรับซุปเปอร์แมนด้วยสําหรับคนธรรมดาอย่างเรานี่ยนะหด้แต่ว่าคนทั่วไปเขาไม่รู้หลัง ว่าจะต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือรู้ใส่รักของกายของใจรู้ได้จิตที่มีสมาธิพอให้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานถ้าเรามีสติรู้การู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ให้มากพอนะตื่นวันหนึ่งจะได้มากได้ผลนะเวลาจะเกิดอริยามรรคเขาก็เกิดของเขาเองเกิดอริยผลก็เกิดต่อจากอริยามรรคในฉานพลันนั้นเลยไม่มีช่องว่างบางขั้นเลย แล้จิตเราจะเปลี่ยนไปอย่าเวลาเราได้โสดาปฏิมรักสดาปฏิผลแล้วแนละ้วพอจิตถอยออกมาจากฌานสมบัติที่เกิดมรรคผลนะกลับมาอยู่ในโลกอย่างนี้ยจิตมันทวนกลับเข้าไปดูเลยมันเกิดอะไรขึ้นจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีอีกแล้วดูลงมาในกายแนละ้วก็กลวงๆนะไม่ใช่เราดูไปที่จิตก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนกายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลย ความเคารพแนบแ่นในพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์ให้แนบแน่นเต็มที่เลยเต็มร้อยแล้วเห็นความจริงที่ท่านสอนอย่างลึกซึ้งแล้วการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแบบงงงอะไรนี้ไม่มีแล้วรู้เลยว่าการปฏิบัติจริงมีสองอานหนึ่งช่วงไหนฟุ้งร้างทําความสงบให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นพอจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วดูความเป็นจริงของกายของใจเพื่อเจริญปัญญามีแค่นี้เองการถือศีลอะไรนี้เป็นเรื่องปกติต้องถืออยู่แล้วนะ เนี่ยเราทำว่าฝึกอยู่แค่นี้ไม่ยากอะไรหรอกทำนะถึงเวลาแนละ้วมันก็ได้ดอกผลขึ้นมาโลงพ่อเที่ยวตะเวนเทศที่โน่นที่นี่ไปเลยนะหลง พ, พ, พ่อความเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์เมื่อสักสามสิบปีก่อนเนะี่ยหลงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งสิบคนแรที่แรกก็สองสามคนนะมันเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มขึ้นตอนที่มีสองสามคนอย่างไปหาครูบาอาจารย์ก็ น, นั่งขับรถยนไปรถเก่งไป มีสิบคนนะไปไหนก็เช่ารถตู้ไปนั่งรถตู้ไปหาแค่สิบคนที่รู้สึกตัวเข้าไปตามวัดเนี่ยที่ครูบาอาจารย์หันมาดูเลยท่านอุทานวาไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้ถ้าท่านมาเห็นถึงวันนี้ท่านคัวตกใจมากกว่า น, นั้นนับจํานวนไม่ถ้วนแล้วของคนที่รู้สึกตัวคนที่รู้สึกตัวทุกคนอย่างพวกเรานี่จํานวนมากในห้องนี้รู้สึกตัวขึ้นมาเข้าใจมันไหลไปเรารู้สึกก็ตื่นที่มันจะมีความรู้สึกตื่น แลังจากนี้ก็คอยแยกท่านแยกขันธ์ไปเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันนะเห็นเวทนาคือความสุขทุกข์กับร่างกายกับจิตเป็นคนละอนกันเห็นสังขารคือความปรุงแตง่งเช่นโรคปวดลงกับจนะิตเป็นคนลานกันหันดูไปเรื่อยแล้วได้เห็นว่าทุกอย่างเลยเกิดเราดับหมดเลยนี่เรียกว่าพันเฉริมปัญญาแล้วถ้าเราทําได้นะต่อไปไม่นานคนก็จะได้เข้าใจธรรมะมากมายพวกเราก็มีโอกาสเหมือนกัน พราะว่าพอเราเราตื่นขึ้นมาแลจิตที่ตื่นคือจิตที่ทรงสมาธิแล้วเมื่อทรงสมาธิได้ก็เกิดปัญญาเห็นกายกับจิตเป็นโคนละนกันเห็นโรคหลุดลงก็จิตเป็นคนละอนกันเห็นกุศลกับอกุศลกับจิตนันก็เป็นโคนละอันกันท่านด้วยอย่างนี้เรกไปเห็นจิตเองก็แปรปรวนเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปทางใจจิตเองก็เกิดดับจิตเองก็แปรปรวน เา้าดูอย่างนี้ให้มากนะถึงจนหนึ่งจิตมันปิ้งขึ้นมาเลยมันยอมรับความจริงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วก็ทัดใจแล้แล้วก็พอนางเราไปเรื่ลงผ้าเทียบตัวเองนะเหมือนคนปลูกต้นไม้เที่ยวไปปลูกต้นไม้ที่นนท์ที่นี่หวานมาเมล็ดพันลงไปตอนนี้มเมล็ดพันงอกงามสวยงามมากเลยเต้นไปหมดแล้วนะมาที่นี่ยังนึกไม่ถึงว่ า, มาเมล็ดพันธุแห่งพุทธะ ย, ยังงอกงามได้ขนาด น, นี้ สังเกตด้าว่าใจของเราขนาดนี้กับใจของเราแต่ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันได้อรอกไหมธรรมะของพระเจ้าอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะถ้าได้ฟังธรรมนะั้นจิตเราเปลี่ยนเปลี่ยนต่อหน้าต่อตาเนี้ยเลยไม่ใช่เวลาเยอะหรอกอยู่ที่ว่าต้องตั้งใจเอานะค่อยๆเรียนรู้ไปตั้งใจไม่ใช่โลกค่อยๆเรียนรู้ไปนะแล้วโลกกูจะเอาให้ได้ตั้งใจมาถึงขยันทําเหตุจเจริญสติไปดูความจริงของกายของใจไป วันไหนดูจิตได้ดูจิตวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายวันไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำความสงบไว้ถ้าจิตมีแรงแก็กลับมาดูจิตดูกายได้อีกฝึกไปเรืชอยการปฏิบัติจริงๆไม่มากอะไรไม่ยากเลยง่ายๆเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทุกคทั้งหมดเลยสังเกตความเปลี่ยนของจิตของเราที่สังเกตไหมมันนิ่งมันเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหม ส่วนใหนิ่งๆตเกต่อไปเดี๋ยวจะเริ่มแข็งให้ดูพเพราะหพูดอย่นี้บางคนเคลื่อนออกเลใช่ไหมบางคนแข็งยิ่งกว่าเก่าอีกนี่เฝ้าดูของจริงง่ายจะตายไหมยากอะไรเมื่อก่อนห้วงพ่อเคถามห<อ>ลวงปู่ ด, ดูนลนะหลวงปู่ครับ <S <S ผมไปที่ไหนที่ไหนนะมีแต่กครูบาอาจารย์บอกให้พี่จรารณกายพุทโธพี่นักกายผมต้องไปพิจนักายอยีกไหม หลวงปูงมองหน้าคือถ้าถ้าเส็ยงชลวาถ้าอาจจะแถมเบิร์ดกระหลกด้วยท่ามองหน้าเขาพี่นักกายก็ดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตนะก็ถ้าเมื่อเห็นจิต <c oughs> เห็นใจแล้วจะไม่เอาอะไรกับกาย <c oughs> กายเป็นของทิ้งเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วพูดตรงกับหลวงปูสวัสดิ์นะหปูสุวันะดสดิ์เคยบอกเคยเล่านะว่าถ้านไปหาหลวงปูมั่นหลวงปู่มันม่นสอนท่านว่ดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทำความสงบไว ก็ใช่หลักนี้ท่านท่านบอกเลยว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้รู้แจ้งเนยถ้าเราดูถึงจิตถึงใจได้ก็ดูไปถ้าดูไม่ได้ดูกายกายเหมือนบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านหาเจ้าของบ้านไม่เจอไว้เฝ้าหน้าบ้านไม่กอนถ้าไม่ไหวจริงจนอนพักก่อนเือทำสมถะเดี๋ยวมีแรงเราไปดูใหม่นะแค่นี้เองง่ายง่ายไม่เห็นจะยากเลย บางทีเห็นบางคนพอหนายะครับอยากความทำให้ถูกหลักถ้าถูกหลักทําไม่ยากสองอันนะอันแรกทาให้ถูกวิธีการรู้อย่างที่มันเป็นอันที่สองทำให้มากพ อ, อรู้อย่างที่มันเป็ น, นแล้วดูมาสามนาทีพอแล้วมันนี้มากน้อยเกินไปบ <c oughs> <c oughs> างน้อยดูบ่อยๆเหมือนเราทํากันบ้านที่ทํากันบ้านมากทําโจทย์มากเนะ่ แล้วก็ยิ่งแต่ฉาน้กาปฏิบัติเหมือนกันเราดูมากนะเราก็ยิ่งเข้าใจเร็วนานๆดูทีก็ไม่เข้าใจพอไปวไหมสังเกตนะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยไม่บังคับบังคับนม่เครียดไปให้คอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของใจไม่นานก็จะเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆนะ พอสู้ไหมเนาะสู้กิเลสเราไม่สู้ใครเราถ้าประโยคนี้ไปถามในกรุงเทพเราก็สู้ไหมสู้เลยเนะสู้อกิเลส น, นะเสื่อใครอ่อ้าวพอสมควรใครมีอะไรจะคุยเชิญที่ไม่จะมาถามนะ พวกเนี้ยนะช่วยย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมคอหลวงพ่อเป็นอนัตตาถ้าหันแต่และมันไม่หันใหม่แล้วมาตีละห้าคนสิบคนก็ได้ไม่ต้องนั่ง ล, ง ล, งลงมหรอกนานั่งตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องห่วงลมอ้าวไม่เท่าเชิญไหนล่ะไม่เท่า ไม่เท่าเท <Goddess. S 1> ่าไหร่เลยเห็นไหมว่า <estás> ม <floods> ีความสุขแต่หลงจิตที่มีความสุขแต่ประกอบด้วยความหลงนี่ยใช่แล้วเป็นจิตที่มีโลภะเป็นจิตที่มีราคะจิตที่มีความสุขนี่เกิดความสุขนี่เกิดร่วมกับจิตได้สองชนิดจิตที่เป็นกุศลก็ได้จิตที่เป็นอกุศลก็ได้ เวลาความสุขเกิดให้เกิดร่องกัจิตที่มีโลภะก็ได้จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้ใจไหนนะโอ้มันไม่ยากนะ ยมเอาดูปัจจุบันนี่แหละที่เหลือมันจะเหลือเท่าไหร่ก็ชั่งมันเราเอาปัจจุบันนี่ไว้ถ้ายิ่งเราฝึกในปัจจุบันได้มากนนะชีวิตที่เหลือนี่มันก็ยิ่งดีขึ้นเลยอย่างบางคนนะฝึกฝึกหันดูจิต ด, ดูใจสมาธิก็ดีขึ้นนะสีก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุอุบิเหต์ลดความร้อน่ า, ายเลยจิตมันเป็นคนดูเลยนะ อัตโนมัติขึ้นมาเล ย, วยเวลาเจ็บป่วยนะจิตมันเป็นคนดูขึ้นมาเลยอยู่ที่เราฝึกเอาหรอกอย่ากังวล น, นะให้ทําก็แล้วกันใช้ได้ต้องปฏิบัติเราใช้ได้นะไม่ปฏิบัติใช้ไม่ได <c oughs> ้เห็นกิเลสล่อยไหม <c oughs> น่ารักเก่งถ้าเราบอกว่าถามแล้วว่าเห็นกิเลสบ้างไหมดิฉันไม่มีกิเลสเหรอก <c oughs> แล้วเลนไม่เปลี่ยนดูไม่เปลี่นยนกิเลสกิดเยอะแยะเลยมันๆบางทีแม้กิเลสเกิดแล้วมันก็ผลักดันจิตใจให้เล่าร้อนเนาะเราก็รู้ทันไปรู้ทันไม่ใช่เพื่อเราชนะก็หรอกรู้ทันเพื่อให้เห็นว่ากิเลสก็ชั่วคร้าวจิตก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวดูไปถ้ายอมรับได้วัตถุอย่างชั่วคราวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ยากแล้วพร้อมนะต้องอย่างนี้สิ อ่ะต่อไปองนะสงสารพวกผู้ชายสงการบ้านที่หลัง <c oughs> พวกสงสารบ้านคนสุดท้ายเนี่ยนะเป็นคนที่เครียดนานที่สุดส่วนใหญ่ลุ้นแล้วก็เหนื่อยดูแต่เพศนะดูได้ก็กกดู เห็น่างกายไม่ใช่ตัวเราโอบกดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกไม่ใช่ตัวเราแต่ใจต้องอยู่กับเนื้อตัวนะใจไม่ลอยออกไปข้างนอกใจต้องตั้งมัน่นในหายใจใหาใจแล้วรู้สึกตัวมแม้มันตื่นเต้นหักใจเมืนนี้วิ่งมาตะครุบหลวงพ่อยะยังรู้สึกกลับเขาหาหาตัวเองนะนี่สมาธิมันไม่พอคือถ้าจิตเคลืออ่อนออกไปเนี่ ย, สยแสดงว่าสมาธิไม่พอ แต่ถ้ามไม่เครื่อนเลยแต่แน่นๆอยู่เนี่ยสมาธิมากไปตึงไปรูปชั่งธรรมะรูปชั่งความอาทิตธรกมะรูปไม่ชอบคลุกคลีกับกับหัวหน้าจะเป็นการที่ว่าที่ว่าเก็บตัวไม่ได้ต้องออกมาข้างนอกบ้าง น, นะเก็บตัวมากไม่ดีผู้ที่เจ้าสอนไม่ให้ครุกคลีแต่ไม่ได้สอนให้หนีโลก ให้ออกมากระทบเสียนะเป็นคราวๆไม่ใช่กระทบทั้งวันนะออกมาบ้างแล้วพอออกมากระทบแล้วเห็นในใจเราไม่มีความสุขให้เรารู้ทันใจที่มันไม่มีความสุข คุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนอยู่ด้กันไปสอนเราเอางการสอนหามไม่ยากเลยดอกคอยรู้ท่านใจของเราไปอย่เราห่วงลูกสาวเรารู้ว่าห่วงใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขกลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจ ดูไปจะเห็นเลยว่าแต่ละวันนะแต่ละเวลานี่ใจเราเปลี่ยนตลอดอย่าให้มันนิ่งเลยพอานาไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยนะกลัวหลวง้อมากงเกดไปกลัหลวงพ่อได้ทํสมาธิหลอที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้มีสมาธิเพิ่มึใจ เออทั้งยังไครับเป็นถูกอปเจ้ามาให้ลูกได้เข้าใจแก่ดีแต้งหลายเนาะหับพิธกรรมเสร็จโงข้อกัสจากเกีย์ถามนึกมอกโยงเคยอภิสภาว่าว่าเวลาไปเดินลงโยงออกไปเดินตอนเช้าเนี่ย ยูเห็นว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามันมันเหนียวว่ามนไปเห็นความเหนียวว่ามันไม่ยอมเราอันนี้เจริญเจริญก็ดูดูซ้ำๆไปนะครับคือในความเป็นจริงมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วแต่ว่าเราเข้าไปผูกพันยึดถือไปสัมพันธ์มัดหมายว่าเป็นตัวเราก็ไปหวงแผนเฝ้ารู้ของจริงไปเรื่อยวันหนึ่งจิตมันทนความจริงไม่ได้ับ อันนี้อันนี้ปฏิบัติใช่รู้เปล่าว่าจิตเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนนี่ต่างกันใช่คถึงแม้ใจมันโปร่โล่งขึ้นมา ใ, ใถ้าใจมันค่อยตื่นแล้วนะหลจากนี้ก็แยกกายแยกใจไปเรื่อยกายที่เดินใจเป็นคนดูฝึกแยกไปความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจผู้สอกับผู้สไม่ใช่กายไม่ใช่ใจดูไปด้วยเห็นแต่ละท่าแต่ละคั้นทางานไปใช่ได้นะใช่ค ยงขอโอกาสอีกโอกาสหนึ่งคือยงควรจะดูจิตตรงๆมากกว่าหรือว่าจะให้ดูกายมากกว่าเจ้าค่ะดูจิตได้ก็ดูไปแต่ดูวันไหนดูจิตไม่ออกก็ดูกายออกที่ดูกายก็ไม่จะให้เห็นจิตดูจิตได้ก็ดูไปแต่บางคนไปดูจิตแล้วไปไปกายไปแท่งจิตนะจิตนิ่งๆทื่อๆอยู่อย่างเงี้ยต้องมาดูกายไว้ดีกว่าเขางคุณดูจิตได้เพราะว่ามันไม่ได้ไป็เพ่งจังคำขอบคุณเอา ไหนก็ไม่ต้องเถียงกันการเทศกาลของพ่ อ, อลูกก็ได้ฟังซีดีของแม่พ่อมาแต่ว่าสวูญแล้วเปิดไม่ค่อยได้เลยฟังซ้ําไปซ้ำมาแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ฟังก็จะเก็บข้อมูลแล้วให้เรารู้มากขึ้นที่นี้มีคําถามหนึ่งค่ะที่อยากจะถามก็คือว่าบางทีเนี่ยเวลา เราเฝ้าดูจิตช่ไหมคะจะมีความรู้สึกว่าจิตเรามันจะเข้าไปคิดถึงบาทีเรื่องไม่ดีที่เราไม่เคยคิดจริงๆก็เข้ามาตลอด<ม>แล้วก็รู้นะคะว่าเราคงไปทำเงินไม่ได้แต่ว่าก็อยากจะรู้ค่ะว่าจะทํำยังไงที่เราจะไม่ไป้ฝ้าคิดเฝ้าเหมือนค่ะเพราะฉะนั้นห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตานะถ้าสั่งได้แล้วก็อย่าไปสั่งแค่นั้น<ม>อย่าไปคิดเรื่องไม่ดีอย่าสั่งแค่นั้นจงบรรลุมรรคผลนิ่ผ่า น, านเดี๋ยวนี้สั่งไปเลย สั่งไม่ได้หระเมื่อมันสั่งไม่ได้นะดูของจริงไปได้เขาไม่ใช่ตัวเราเราบังคับเขาไม่ได้แล้วการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาดีเราสมเอาสงบแต่มุ่งให้เห็นความจริงว่ า, ท, วาทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับทุกอย่างไม่เที่ยงแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยไม่ตลอดหรอกต่ไปมันก็เลิกคืออนุสัยคือเราสะสมกิเลสในจิตใต้สํานึกเราเยอะ สะสมอนุสัยเอาไว้เยอะถือเวลาก็ทํางานขึ้นมาเราจะห้ามมันไม่ได้ให้มีสติรูร้ตัวเองอนุสัยก็จะค่อยๆหว่านกลังอนุสัยเป็นความเคยชินฝ่ายชั่วนี่เราถ้าเราไปมีสติด้วยในที่สุดจิตมันก็เคยชินฝ่ายดีขึ้นมาเคยชินฝ่ายช่วค่อยลายไปเราพ่อสังเกตนะว่าคนบางคนนะ เรียบร้อยมากเลยอยู่ข้างนอกนะสังคมบอกเรียบร้อยมากในใจนี่นะคิดเรื่องร้ายๆตลอดเลยนะคิดร้ายห้ามมันไม่ได้แล้วถ้าไม่ยอมรับนะรุ่งใจมากเครียดทําไมฉันเลวอย่างนี้รับไม่ได้จนระิงๆรับ ไ, ได้นะนั่นคือความจริงแต่ไม่ใช่เราจะเร็วได้ตลอดกาลถ้าเรามีสติอยู่ด้วยนะอนุสัยที่มันสะสมอยู่ความเคยชินไปช่วยจะค่อยๆลดลง แต่ถ้าเราไม่มีสติพออนุสัยปรุงเป็นกิเลสอยากแล้วเราทําตามกิเลสเนี่ยเราจะยิ่งสะสมอนุสัยมากขึ้นที่ที่มันเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบคิดไม่เฉยแต่ว่าไม่เคยไปทํำอะไรไัเคยก็เป็นมโนกรรมนะใจมันเคยฉิตก็ยังไม่ผิดศีลแต่เป็นแค่มโนกรรมอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับหลว่เป็นมโนกรร ม, ม <laughs> ก็มีป่วยนะแต่ว่าก็ยังดีว่าไม่ผิดศีล ก็ให้มีสติไว้แล้วไม่เป็นไรเลยไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องมีสติแต่เราไม่ได้ทำถ้าเรารู้เราวว่ามันคิดไปอย่า ง, งานั้นแต่เราไม่ได้ทำอะไรเราก็ยังอยู่ในสี่ห้าก็ถือว่าโอเคในระดับที่ก็เราทำเราเราก็โอเคในระดับขอ<ๆ>คนมีสิ่ห้าก็ดีเป็นลำดับไปนะดีนะเพขึ้ป หลวงพ่อคะจากเมื่อวานหนูต้องการคอนเฟิร์มจากหลวงพ่อคะ่ะว่าที่ปกติหนูจะถนัดดูจิตมากกว่าแล้วที่หนูเห็นหัวใจเต้นยหนูดูถูกเห็นถูกนางพี่ปหัวใจเต้นมันไม่ใช่ดูจิตนะไม่ใช่ปกติหนูจะจ ะ, จะเห็นความรู้สึกมากกว่าแต่ถ้าที่ที่เมื่อวานหนูถามว่าที่หนูเห็นหัวใจเต้นนี่คือเห็นกายคือนี่คือบางครั้งความรู้สึกทางใจเด่นเราก็รู้ไปบางครั้งความรู้สึกทางกายเด่นแล้วก็รู้ไปเห็นถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เพ่งใช่ไหมค ปกติจิตเป็นตอนนี้ไหมตอนนี้หนูไม่เห็นจิตเลยอ่ะเห็นแต่รู้สึกแต่อันนี้หนูเลยไม่รู้ว่ามัเห็นไม่ได้ตพรานเพ่งอยู่อย่านี้คือเพ่งใช่เพรวตอนเนี้ยไม่มีทางเลือกหรอกยังไงก็ต้องดูกายเพราะดูจิตไม่ได้พ่อจะทําได้ดูนะเก็บเงินเปาไหมลูกเราจะไปดูจิตได้ไงอ่ะนิ่งไปหมดใช่ไหมต้องพอมาดูกายถึเห็น อย่างนี้ก็จริงจรก็ยังแรงไปเอา แ, แค่รู้สึกสบายสบายแล้วสุดท้ายที่นมปฏิบัติมามันถูกทางบ้างรึเปล่าครับถูกสิถ้าไม่ปฏิบัติยิ่งจิดกว่านี้ <c oughs> อีกตอนนี้ดีกว่าต่กี้แล้วนึกออกครับเพราะอะไรเพราะว่าเราส่งใหม่เปอะรู้สึก <c oughs> ใจล้วก็คลายออกใจม่นคลายออกแล้วก็รู้ทันอย่าไปรั่เข้ามาอีก เริ่มไปเก็บเข้ามาอีกแล้วคล้ายๆจะไปโชคกับหลวงพ่อนะโจ้ก็ปล่อยออกไปนะปล่อยให้มันคลายออกคลายออกรู้สึออกเหรอโสดสายฝรั่งนะงเราปวดร้าก็ขาไม่รู้เรื่องกลับวิธีการหลวงพ่อจ้าค่ะเอ่อฝึกปฏิบัติแนวทางของหลวงพ่อมา2ปีจ้าค่ะแล้วก็เห็นกิเลสมากมายมโดยในเฉพนนาะขณะขณะที่คิดเนี่ย จะเห็นว่ามีแรงบีกเคสอยู่ <ừ> um. แต่ว่าโดยยิ่งโดยที่เราอยากให้ใครเขาทาอะไรให้สั่งลูกให้ทําก็จะเห็นว่าแรงบีกเคสมันมากจนทําให้เรารู้สึกว่าจะปวดหัวแล้เรารู้สึกว่าตัวเองติดเพ่งใช่ไหมครับ <DM K. S 1> อยาไปรู้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราไปรู้คือเวลาเรามีความคิดความเห็นอะไรเงี้ยถ้าเรายึดในความคิดความเห็นของเรามากมันยิ่งเครียดนะให้รู้ทันว่าเราไปยึดในความเห็นของเรานล้ว ใจจะคลายออกสบายอีกประการ น, นึ่งโยมจะสวดมนต์นั่งสมาธิตามรูปแบบแล้วก็อยากให้หลวงพ่อแน่ว่าในขณะที่โยมทำอนาปนาสติเนี่ยจะทำถูกทางไหมเจ้าค่ะทำชิดอากนอกคนเลย <c oughs> ไม่ใช่ว่าอันนี้ว่าพรุ่งนี้เวลาทำอนาปนาสตินะอย่าเริ่มต้นด้วยการไปบีบจิตเข้ามานะ ทำใจให้สบายเลยยิ้มก่อนยิ้มก่อ น, อ, น mm hmm. อ้ตัวนี้เคล็ดลับสําคัญนะ mm hmm. สังเกตไหมพระพุทธรูปมันยิ้มหมดทั่วเลย mm hmm. มีไหมพระร่าง mm hmm. ใครเขาทาแล้วยิ้มนั่งใจเลยจะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกตัวไหมเห็นร่างกายหายใจ mm hmm. จิตไหลไปคิดเราก็รู้ว่าจิตไหลไปคิด mm hmm. จิตเที่ยวไหลออกไปนะแล้วก็รู้ทันพอล้วพอแล้วพแล้ว เห็นไหมมันติดสึมออกมานิดนึงเพราะอนนี้พอจิตไหลไปแล้วมันเคลิ้มเคลิ้มออกไปนะเคลื่อนออกไปเคลื่อนออกไปพอถอยออกมาเนี่ยติดออกมาหน่อยหน่อยพยายามรู้สึกตัวไปนะการทมานาปัญสติหมายถึงว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกากรรารทาอนาปัญสติไม่ได้แปลว่าให้น้อมจิตเข้าไปซึมๆอยู่กับลมหายใจแต่ให้เรามีสติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัว หายใจลึกลงไปรู้หายใจตื้นๆรู้ลมหยาบลมละเอียดก็รู้รู้ไม่สบายๆเพราะจิตมีความสุขกับการหายใจแล้วเนี่ยจิตจะไม่วิ่งพล่านไปเที่ยวหาอารมณ์อย่างอื่นจิตก็จะสงบอยู่กับลมหายใจในเคล็ดลับของการทําอนามพนสติหรือทําสมถะอะไรก็ตามยอยู่ที่ความสุขความสุขนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิกาบนวัสการมของพ่อเจ้าค่ะ ก็ฟังกสียงดีของหลวงพ่มาได้ไม่ได้ข้อสรุปยังไม่เข้าใจคือทําอานาปนาสติหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะหายใจสบายสบายไม่ได้ไปน้อมจิตให้สงบไม่เท่าไหร่จิตจะสงบของเขาเองถ้าเราไปน้อมจิตให้สงบเนี่ยจิตจะเบลื้อเบลือเบลื้อไหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวอย่ามีความสุขจะสงบเรื่ยเร็วเลย เค็ดลับันนิดเดียวแต่หลวงพอ่อกวาจะได้เคล็ดนี้ฝึกหนานนะเล่นนานานปานสติ22ปีครับในมรดกการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ฟังสิทธิ์ของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งตอนนี้ก็รู้ตัวบ้างแต่ว่าที่ทำงานนี้จะเป็นแบบว่าจะโดนลูกค้าด่ายเยอะอคือว่าก็มีโทรศัพท์่างรก็จ ะ, ะดูอาการไปมันก็หลบไปก็ ด, ด, ดีใจแต่ตอนนั้นก็ ไม่ได้ดูไม่ได้รู้อะค่ะว่าตัวเองดีใจแล้วมันก็จะกลับมาอีกมันก็ไม่แหลกท่าเดิมแต่ว่าจะหาทางกําจัดมันนะคะกำจัดอะไรกาจัดความโกรธอันนั้น่ให้มันคิดนะคะความโกรธเนี่ยนะเขาจัดอยู่ในสังขารขันสังขารขันเนี่ยเป็นตัววิบากนะเยอะเลยหน้าที่เราไม่ต้องทำอะไรหรอกหน้าที่เรารู้อย่างที่มันมีอยู่รู้อย่างที่มันเป็นอย หน้าที่ต่อขันห้าจัดอยู่ในกองทุกหน้าที่ต่อขันห้านะคือการรู้ลนเดียวตัวอยากดัง น, น, นั้นรู้ความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธไม่ใช่ละละอะไรละความอยากให้หายโกรธละความอยากต่เรื่ความโกรธนะให้รู้ว่าจิตกําลังโกรธอยู่ก็นั่งสมาธิก็จะก็จะฟุ้งแล้วก็คิดมาก อย่างนี้ต้องไปเดินจงกรมเดินจงกงรมก็ฟงและคิดมากเหมือนเดิมงั้นเราอย่าไปบังคับจิตนั่งสมาธิจิตฟงสร้างหรือว่าฟงสร้างจิตหนีที่คิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดอย่าว่าเพราะนะันั่งอย่างมีความสุขนั่งรู้สึกตัวไปสบายสบายนั่งแล้วรู้สึกตัวรู้สึกอย่างนี้นรู้สึกไปเรืเอ่อยพ่อบกว่าให้ดูร่างกายเหมือนดูคนอื่นแต่ว่าไม่เคยคิดเลยท่าว่าเป็นคน แต่มันจะเป็นเราอยู่ใครดูตึงเวลามันรู้สึกเองนะอย่างบางคนแปลกฟันอยู่เนะยเห็นมือไม่ใช่เรานะเห็นร่างกายขาดเป็นท่อนๆไม่ใช่เราแล้วจะเป็นเองแล้วก็อีกข้อหนึ่งอีกนิดนึงนะคะหนุ่มพ่อคือว่าทำงานที่ทํางานเป็นงานในบ่อน์ดอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงเหร เรอเน้่เวลาออกนอกบ่อนเราก็เภาวนาไป <c oughs> อยู่ในบ่อนล้วก็ภาวนาภาวนาไป <c oughs> ถือว่าเราทำหน้าที่ทํางานนะมันไม่มีโอกาสไม่มีทางเลือกทำไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปโกงใครนะ <c oughs> เราอย่าไปคิดว่าเราทํางานบ่อนถือว่าเรามีหน้าที่จัดสถานที่อะไรเงี้ยอย่าไปคิดว่าเราทํางานจัดสถานที่เดี๋ยวไปคิดว่าเราทํางานทันบ่อนเลย เราก็สอยออกมาให้ถูกหน้าที่ที่เขาจ้างเราไปทำอะไรมรดส ก, การณ์เพราค่ะจะส่งสภาวะไม่แน่ใจว่าที่เห็นใช่เปล่าคือสอาทิตย์ที่แล้วก็ูีดีจิตเขาก็ไปเห็นเหมือนกับว่าความคิดที่อยากภาวนากับความคิดที่อยากไปดูหนังฟังเพลงค่าเท่ากัน ม, มันมีความอยาก อือ<ม>จิตมันมีความอยากถูกถูกต้องแล้วเออมันต่อมาก็เห็นอีก<ม>เขาก็เหมือนกับเห็นว่าจิตดีกับไม่ดีต้องฆ่าเท่ากันีเกิดมล้วก<ม>็อยอแล้วเราก็เห็นอีกอ<ม> <laughs> ก็เห็นอีกเหมือนวันหนึง่งคือเดินเดินอยู่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเขาก็เหมือนตั้งมันขึ้นมามแล้วก็หันมาดูตัวเองอื<ม><ม>แล้วเหมือนกับ กลัวหมดเลยอะไรนะกลัวอ่ะเหมือนกับไม่มีอะไรแล้วเขาบอกว่าไม่มีตัวตนไม่ีอะไรแต่คือไม่แน่ใจเอ้ยเราฝังหรือเปล่าไม่ฝันหรอคือเวลาจิตตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆนะไม่ไปหลงอยู่ในความคิดนะดูกายก็ปลงๆดูจิตก็ปลงๆไม่มีตัวเราตรงไหนหรอกนะแต่ว่าอันนี้มันล้างด้วยสมัครชินอยูะต้ารอให้มันล้าได้มยมัดจริงๆค เราทำไปเรื่อยๆใช่มครัแล้วลงพ่อมีอะไรแนะนำไหมคือสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันเท mm hmm. ่าเทียมกันนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์คือ mm hmm. เราบังคับไม่ได้เกิดแล้วดับเหมือนกัน mm hmm. แต่ค่าของมันไม่เหมือนกันนะนั่นอย่าง mm hmm. จิตเราเห็นเลยอยากอยากฟังเทศเยอยากไปดูหนังฟังเพลงก็อยากด้วยกัน mm hmm. พอเรารู้ทันจิตที่อยากนความอยากดับคราวนี้ก็จะเหลือเหตุผลนะ mm hmm. เหตุผล สมควรจะไปปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติสมควรจะทําอะไรก็ทําอย่างบางคนแยกไม่ออกแยกกินอยู่ข้าวยิวข้าวไม่ใช่กิเลสแต่ตะ ก, กัดแห่งกิเลสถ้าจิตมีตความอยากกินเกิดขึ้นรู้ทันความอยากดับไปคราวนี้เหลือเหตุผลแล้วว่าสมควรจะกินก็กินหรือเวลาขี้เกียจขึ้นมาง่วงนอนเลยเนี่ยรู้ลงไปความขี้เกียจหายไปเหลือเหตุผลแล้วสมควรจะนอนก็นอน เพราะนเราจะดํารงชีวิตด้วยการใช้เหตุผลไม่ใช่ว่าตู้อย่างเท่ากันแล้วทําอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นจะเป็นลทัทธิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิออกไปเพราะว่าการทําดีกับการทําชั่วนั้นให้ผลต่างกันทําชั่วแล้วตนเองเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนแล้วคุณขออีกคํำถามนึ่งคือก็จิตออกนอกบ่อยแต่ว่าถ้าพูดโทรหรือว่าดูหมายใจก็ไม่ค่อยได้ค่ะเาจารยพีย่ก็ ใช้จิตเป็นวิหารธรําแต่รู้สึกว่าเหมือนกับมันก็ลงนานะลงนานมันต้องหาเครื่องอยู่นะหาเครื่องช่วยอย่างอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายบางคนเขาเคลื่อนนิดเดียวแค่นี้ uh huh. เคลื่อนแล้วก็รู้สึกแต่ว่าบางทีเคลื่อนนานๆนะหนีไปตั้งนานแล้วมือก็ยังขยับอยู่ไอ้ <c oughs> ยอย่างนี้ไม่ดี uh huh. เขาพยายามเพิ่มความรู้สึกให้แร้นนิด uh huh. หายใจไปหายใจสบายสบาย เห็น่างกายหายใจแต่พอใจชักเคลิ้มเคลมชักหนีก็เปลี่ยนจังวหวะหายใจอรงเพื่อไหนกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมาล้วหายใจใหม่แก่ไหนก็ได้ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่แล้วมนจะหนีนานลงยาวที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะแต่ว่าสมาธิยังไม่ได้พอก็แม่คุณค่ะ เหมือนกันตั้งแรกที่เจอคนมีความพิติมากเพรา้นเราเท่าเทียมกันมีความปิติมากตั้งแต่ว่าเมื่อวานจากที่ไม่เคยดูจิตเลยเพราะว่าปฏิบัติทางสมถะสมาเปรู้แต่หมอที่จะได้เป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้เมื่อวานนี้ก็มานัดสามดูจิตนะคะที่พรอาจารย์นำตัวก็มีความรู้สึกว่าปิติลองทำได้ง่ายมีความเปิดบานอย่างใสดีใจค่ะ อ น, นี้กา ร, รปฏิบัตินี่นะฮะก็จะติดอยู่กับคิดว่าธงจะเป็นสมถังเพราพอเวลานั่งตามรูปแบบพอถึงจเจริญพอเข้าพอเข้าพเข้าพอเข้าสมาธิดนะ้านก็จะดูจิตเลยเพราะไม่รู้สึกว่าตัวเองในกายจะไม่อย่างนัง้น <ๆ S 2> ก็ได้นะเวลานั่งสมาธิโลกธาตุหายไปแล้วเหลือแต่จิตแต่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูอยู่ข้างในอันนั้นแหละเรียกว่าเดินปัญญาอยู่ในสมาธิใช้ได้นะ ใช่พอก็ทาแต่ก่อนมี้วส่อางเดียวคือลงข้างถิ่นลงหลงลงข้างแต่นั่นรู้สึกไนะว่าไม่มีเราที่ไหนตอนนี้พอทาได้ถงอย่างนี้ปุ๊ครั้งแรกเลยคือจิตเรามีจิตจิตเราตัวฟูมากกลับเข้ามาพอดูจิตตุ๊บจิตฟกลับเข้ามาพอเรารู้ว่าเราไม่มีอะไรแล้วจิตว่างนะจะถึงระดับหปนะที่ว่าจะใส่งินพอใสายินเงตอนนี้จะมีความรู้สึกว่า อืมเราจะติดสบายกันแล้วเหมือนมีความปิติเราทำไนอิ่มเราทไม่มีความสุขเราติดไม่เป็นไรมีปิติหรือว่ามีปิติอนะิ่มอิมใจหรือว่าอิ่มอิมใจถ้ายินดีพอใจในความสว่างความว่างความสุขเนี่ยให้รู้ทันว่ายินดีพอใจถ้ายินดีพอใจเรารู้ทันแล้วเนะี่ยจะไม่ติดอย่างนี้ยินดเจริญปัญญาดูว่าจะนิ่งเกินไปไม่ถ้าเข้าไปแล้วเป็นนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยไปพักอยู่เฉยๆนี่เป็นสมถะแต่ถ้าเห็น สว่างสบายแล้วจิตเรายินดีรู้ทันเนี่ยเราเห็นความรู้ทันเกิดระดับอยู่นี่เจริญปัญญาอยู่ปัญญาเนี่ยจะไม่ดูออกนอกไอ้แสงสว่างนัออกนอกนะไม่ออกออกไม่ได้ไหมจิตไหลไปดูอเพราะว่าจะไปห่วงเพื่อนจะไปออกจะไปมองหาเพื่อนแม้กระทั่งแสงสว่างในสว่างที่เนี่ยนะถ้าจิตเราเคลื่อนก็ไปดูที่แสงสว่างนั่นออกนอกเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่ออกนอกนนแสงก็ส่วนแสงจิตก็ส่วนจิตนะแล้วจิตยินดีในแสงรู้ว่ายินดีไม่ติดหรอกเนี่ยก็เรืองความิตอย่างนี้แหละปิติไม่เป็นไรปิติไม่ใช่อาญากำจะมีความอิ่มสบายอ้าวอย่างนี้ไม่ได้อิ่มสบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้ายินดีพอใจในความอิ่มสบายแล้วไม่รู้อันนี้ถึงจะเป็นเออเพราะฉะนั้นถ้ายินดีเรารู้ทันว่ายินดีจะไม่ติด ถ้าทหารมีปีติได้ไหมมีความสุขได้ไหมมีมีเยอะด้วยไม่เห็นจะติดเลยแล้วก็ไม่มีราคะไม่มีตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าตัณหาแทรกเนยถึงจะติดมีตัณหาเรื่องสร้างภพตัณหาเป็นผู้สร้างภพใช่ไหมดงั้นมีสว่างสบายมีความสุขมีปีติขึ้นมามีตัณหามีความชอบยินดีพอใจนะรักใครผูกพันนี่เราเป็นภพ อนนี้ข้อนะกาันะตอนนี้ก็ลงลงกลับมาเพราะว่าอยู่อย่างนั้นนานเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยก็กลับมาดูกายพาะกลับมาดูกายรู้สึกหนักรู้สึกได้ทำไ ม, มเห็นบคนะก้จะดูกไม่ใช่รอีกถีครู้สึกว่าปั่นแนะเร า, าดูไปเสยมีแต่ทุกข์นะค่ะสังขารเนี่ยทุกข์ด้ดูอีกดูอีกไเออดูไปให้เห็นเลยให้ใจมันแจ่มแจ้งเลยว่ามันเป็นทุกข์จริงๆตอนนี้มันไม่แจ้นะง มันไปดูเห็นนิดๆหน่อยๆเลยไม่เอาดีกว่ากูเอาความสุขดีกว่าจะันีอีกมันหนีหนีหนีขึ้นไปเป็นบงกาแนด์ก็นั่นหละไม่ได้กลับมาใหมแล้วจนจนเป็นอย่างนี้ตลอดรไม่เอาให้รู้ทันว่าจิตติดในความสุขแนั้นแล้วก็น้อมใจกลับเข้ามาเรียนรู้ทุกไว้ไม่รู้ทุกไม่เห็นธรรมนะต่อสู้นกว่าเนี้ยจะติดกับดักตายไปซวยมากเลยไปเป็นพระปลง ก็ยต้องลงแลมตอนนี้มาจารย์นะว่าจารให้เ้ื่อนการแนะนํำจะอยู่อย่างนี้ต่อไปขึ้นขึ้นลงไปขึ้นขึ้นลงอย่างนี้แหละนฝึกต่อไปอย่างนี้แหละเห็นเลยว่าอันนี้ก็พบพบหนึ่งเดี๋ยวใจเขาเอื้อมละอาให้พบว่างสว่างนี่น้อมลงมาดูกายโดยใจไปเห็นแต่ทุกแต่โทษไปเลยแยกกายเป็นส่วนส่วนไปจับกระดูกถอดเป็นท่อนๆนไป ออนันหละเราเล่นไปอย่างนั้นนะที่ทําอยู่นั่นนะถูกแล้ว อ, วอืมแล้วตอนนี้พอเราออกสมาธิอยที่แบบตั้ไงไว้จะคอยอยู่ที่ที่ลมงต้องฝึกอยู่ที่ลงคอยดูลมตลอดเวลาแล้วก็เวลาดูลมนะอย่าไปให้ลมมันล็อกอจิตเส้นไหวไม่ได้ให้จิตมันเป็นธรรมชาติรู้ลมเป็นแค่แป๊กกล่าวรู้จิตเป็นหลักเนี่ไม่ใช่รู้ลมเป็นหลักเราจิตน้อมไปนิ่งอยู่กับลม ใช่นันติดสมถะที่เมื่อวานเนี่ยอาจารย์สอนให้เรงเจริญฝายเรื่บ้านล้าเลยนะครับเพราะว่าไม่ตามจิตเราได้เราตามตามรู้ไม่ใช่ไปล็อกให้นิ่งถ้าเรนงจะนิ่งเกไปแขงันไปเาลงซิเรารลงซิแคจิตเคลื่อนตามลงไปก็ได้รู้ทันทันขึ้นะาเหยีาจมลงไป หายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเท่าไหมหนีไปคิดก็รู้ว่าหนีไปคิดให้รู้เอานะอ๋ป๊ห้คดอื่นป่บสางุน้ำมันการค่ะโยมเพิ่งจะได้ฟังเอ็มีสามของท่านประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะก็เลยแต่ว่าได้นั่งภาวนา สมาธิมาเป็นตลอดเวลานะคะแต่ก็คือก็ไม่ไม่เสมอนะคะแต่ระยะหลังนี้ก็นั่งไปนั่งสมาธิภาวนาทุกวันเสาร์แล้วพอมาได้ฟัง m อ็มดของท่านประมาณสักเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะกะ็ได้ท่านบอกว่าให้เข้าใจ ไตรักเราก็ขันแยกจิตแยกขันแล้วก็มักสมุทรไทยมักแล้วก็วิโร<ม>ก็พยายามเรียนรู้ฟังเทปของท่านทุกๆวันนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ติด<ม>ติดก็เลยบอกตัวเองว่าเราต้องเอามาฝึกเ อ, เอามาใช้แล้วก็ตอนหลังนี้ก็เลยว่าจิตเริ่มเข้าใจ ความรู้สึกนะเมื่อก่อนนี้เข้าใจกายก็จะเพ่งไปที่กายดูล่างกายแล้วก็จะจะเครียดค่ะแต่ระยะหลังนี้ก็ตามความแนะนําของพระคุณเจ้าก็รู้สึกว่าสบายใจตามตามดูจิตไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าพิจารณาให้เข้าใจถึงจิตตัวเองค่ะและบางทีก็รู้จิตออกไปข้างนอกแล้วก็พยายามดึง เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเแค่รู้ว่าไปนอกไม่ต้องดึงดึงแล้เราโลภแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจจิตว่าจิตคล้ายๆมีสองจิต อ, อย่างวันวันนั้นมีวันขับรถไปก็รู้สึกว่าอืขับไปเรื่อยๆแต่จิตเราก็รู้ว่าเราขับรถนะคะแล้วอีกจิตหนึ่งก็คอยสังเกตดูรู้ว่าขันนี่ทํางานแต่มันจะเป็นบางระย ะ, ะแค่นั้นพอละ เพราะเวลานี่เวลาขับรถนะตูแต่ขันไม่ได้หรอกแต่รู้เลยรู้สำ น, นึกโอ้อันท่านหลวงพ่อพูดพูดถูกแต่ก็บางครั้งก็จะสับสนนะคะ ก, ก็พยายามดึงพยายามเข้าใจจิตตัวเองอตอนนี้ครั้งแรกก็เขียนข้อข้อคำถามเยอะเลยพอท่านมาเที่ยรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้เข้าใจก็เลยว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกถูก ก็ตอนนี้ก็กดมเหมองเพราะว่าจิตใจตื่นเต้นค่ะก็ดีหน่อยดีขอคุณเนะเวลาไปรู้สภาวะนะจะให้จิตเป็นถล่มลงไปรู้นะเวลาอย่ารู้ลมนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมอย่าลมไปแค่รู้แค่รู้อยู่ห่างๆนะมันถล่มลงไปหมดถล่มลงกลายเป็นเพ่งพอเพ่งก็สว่งขึ้นมาสิเขก็เข้าทําสมถะ มาสว่างไป้มาก็ติดประติดแล้วก็ไม่เจริญปัญญาย้อนมาดูกายก็ทุกข์ดูจิตทุกข์เป็นภาราะไปหมดไม่เอาดีกว่ากลับไปอยู่สว่างออดีใช่ไม่เปไ็นไร้รูพรธเจ้ามีอีกหลายโงมที่ที่โยมปฏิบัติหรือใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ ก้าวหน้าสิก้าวเยอะแล้วนะมนนไม่ค่อยได้ทำตามรูปแบบค่ะแต่ว่าพยายามฝึกตามที่ฟังหลวงพ่อในซีเรียแล้วก็ที่สังเกตก็คือว่าพยายามสังเกตเวลาความเครียดความโกรธอะไรขึ้นมาคะแล้วก็พอสังเกตเสร็จปั๊บก็จะไปสังเกตอีกว่า มอว่าเวลาทํางานเร่งๆอะไรเนี้ยนะคะหรือว่าเครียดๆอะไรเนี้ยค่ะจะสังเกตว่ากล้ามเนื้อข้างหลังเดี่ยวมันกระปังลงเราเนี้ยมันหดขึ้นทุกครั้งที่รู้สึกตัวว่าความเครียดหรือว่าความได้งเรอะไรมันเข้ามาก็จะรู้จะเห็นเลยว่าอากล้ามเนื้อมันหดแล้วตัวเองก็พยายามที่จะปล่อยมันลงการทําแบบนี้เนี่ยเป็นการแทรกแซงหร่าม่ไม่ต้องทำอย่างนั้นก่อนเพราะเพราะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ทุกครั้งที่เรารู้ตัวแล้วก็เราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อเรามันเกร็งเราก็ผ่อนคลายถูกไนะหมที่มันช่วยช่วยเขาทํางานทีนนเดียวไม่งั้นนะมันจะกลายเป็นเครียดเดียวกล้ามเนื้อเจ็บปวดแทบถูกเลยแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคก็คือว่าเรื่องคือตัวเองอ่ะชอบชอบอ ชอบให้แต้มตัวเองอเวลาทําอะไรหรอว่าสมมุติว่ากุศลกับอกุศลอย่างงี้ใช่ไหยคะก็คือพยายามถือดูแค่ตัวเองอะคะ่ะสมมุติว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราเราจะไม่ไม่คิดอยากให้อภัยเขายังไม่ไม่มีตรงนั้นนะคะ่ะแต่จะเล่นตัวเองว่าถ้าสมมติเราโกรธเนี่ยเราพูอ่เราใสาโ่โลกให้ตัวเองแล้วเราก็จะไม่โกรธอะไรเงี้ยถ้าทำแบบนี้เรื่องมันมันจะเป็นการสะสมความ เห็นแกต่ต ว, ว่าไม่เห็นแก่ก็เดหรอเให้รู้ของเราเองก่อนก็ยังดีก<ร>ารทำทูตุปีด้วยว่าไม่ต้องไปนสนใจคนเื่นนะแต่ว่าจงใจเราโกรธขึ้มาก็รู้แต่ไม่ต้องไปให้ค่ามันไม่ใช่ว่าโกรธแล้วต้องติดลบนะ <c oughs> โกรธก็เป็นสภาวะธรรมที่สอนธรรมะเราเท่าๆกับดีนั่นเลยแต่เราไม่ได้ทําตามที่ความโกรธสั่งต้องทำเอง ทำไปไม่ใจร้อนนะยิ่งคนใจร้อนทำไปสบายๆ ส, สม่ำเสมอฝึกไปได้ให้สบายๆถ้ารีบร้อนยิ่งเครียดจัดเธรรมดาเครียดง่ายประเครียลุยแหลนะะลนะแล้วรู้สึกแบบสบายๆธรรมสการหลุณพ่อระมกับโยมเอง เ, เป็นหลานของคุณกนิษา แล้วก็มีสาวของสรัญญายกขอกราบขอขามาหลวงพ่อที่ได้รุ่งเกิดกายวาจาและใจแล้วมขอกราบขอพระครูหลวงพ่อที่าาให้ขมาดนวยค่ะสาธุมาอเมริกรายังมีคนขอขามาอยู่เดี๋ยวไปใจนะมีแต่คนขอขามาคำติประกาศแล้วนะอขอขามาแนละ้วให้หมดแล้วนะหลวพ่นะอคะคื อ, อยังมี ปัญหาในการปฏิบัติคือเวลาปฏิบัติสมาธิแล้วมีแสงสว่างเหมือนกับโยมที่บางทีที่เกี่ยวกับเรื่องสมาธินะคะแต่โยมท่านนั้นไฟสว่างน่โยมไปนรกตลอดเลยทำไมละ่ะ <c oughs> โยมจะเห็นโทสะเห็นบางครั้งเป็นเป็นแสงสว่างก็จะเห็นเป็นไฟบ้างอะไรบ้างทราบว่าเป็นกิเลส ต, ตัวโทสะแล้วก็ คือใจจะไม่สู้กันเขาจะถอยตลอดใช่ใช่อย่าไปดูที่แสงนี่าไปดูที่ไฟอแค่กลับมารู้ทันที่จิตเช่นจิตกลัวรู้ว่ากลัวจิตไม่ชอบรูว่ไม่ชอบนะกลับมาดูจิตครไม่ว่าไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นถ้ารู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นจิตที่จิตคเมื่อกลับมารู้ที่จิตแล้วบางทีจิตไม่มีกําลังนะคะหลวงพ่อสู้ไม่ไหวนะคะจะถอยท่าเดียวโยมควรจะ ทำอย่างไรที่จะสร้างทำใจให้สบายน ะ, ะคิดออกก่อนก็ได้ว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลย ช, ช่วยมันคิดพิจารณาไปช่วยคิดเป็นพิจารณาได้ไ ด, ไ ด, ได้ต้องช่วยมันก่อนอบางครั้งคิดว่าถ้าพิจารณาแล้วก็เกรงว่าจะเป็นการเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านลงไปก็จะพยายามตามดูนะคะคือถ้าตามดูไหวให้ตามดูไปถ้าตามดูไม่ได้ก็คิดพิจรารณา รูปแบบการสอนแบบนี้เลยนะอย่างหลวงพ่อพูดท่านก็นสอนการพิจรารณาการคิดพิจารณาไม่ใช่วิปั ส, สนานะเป็นการนําร้องให้จิตมันเดินปัญญาหรือการคิดพิจารณาเนี่ยมันได้สมถะทำให้จิตสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงมันมีแรงแล้วก็มันเดิวเวนดวิปั ส, สนาต่อเพราะฉะนั้นก็พยายามสู้ต่อไปนะ ส, สู้ต้องสู้สู้กิเลสเจ้ต้องสู้เอากิเลสเป็นครู สังเกตเลยพระเจ้าสอนนะดูพระี่สูจเท่าไหร่จิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาให้รู้ว่าไม่มีราคาทําไมท่านไม่สอนดูพระี่สูจนเท่าไหร่จิตไม่มีราคาให้รู้ว่าไม่มีราคาจิตมีราคาแล้วก็รู้ว่ามีราคาเพราะยืนพื้นของเรามันกิเลสเท่านั้นเละท่านสอนมาจากสิ่งที่พวกเรามีเยอะแล้วพวกเรามีกิเลสเยอะอยู่แล้วถ้าเริ่มต้นจากกิเลสทำไปไม่สู้กับมันแต่เรียนรู้มันไป ให้รู้เลย ucci, กิเลสวกิเลสจิตส่วนจลานกั่ชินั네นสการหลวงพ่อคะ่ะตอนที่เริ่มต้นที่หนูฟังเทศน์งพ่อนะคะหนูจะรู้สึกแน่นมากแล้วก็แน่นมากที่คอคะ่ะนี่คือปัญหาของการปฏิบัติของแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเบาลทีนี้ในในช่วงที่มันแน่นนะคะก็ไม่ไม่ทราบะคะว่าหนูกดหรือหนูเพ่งหรือเห็นความ มีความโลภหรือความอยากปฏิบัติเงนที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนี่ยนะคะไม่เห็นตรงนั้นแต่หนูจะรู้สึกมากว่ามันแน่นมากเะยคะ่ะแน่นเป็นผลนะนะมีกิเลสเกิดการบรงกิเลสที่อยากปฏิบัติเกิดการปฏิบัติให้บังคับตัวเองเป็นการกระทํากรรมเกิดวิบากมันแน่นใะห้กิเลสกรรมวิบากหมุนเันอยู่นี่เพราะฉะนั้นถ้าใจอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากแล้วก็ภาวนาไปรู้สึกกายรู้สึกใจดูความจริงของกายของใจไป ไม่หวังผลอะไรหรอกจะสบายแต่ถ้าอยากปฏิบัติก็แน่นเลยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ฟูงงร้านมากค่ ะ, mm hmm. ะเพื่อนจะบอกว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่จริงๆหนูทราบเพราะหนูพูดมากค่ะ mm hmm. แต่พูดทั้งไหน พ, พูดท้งไหนพูดทั้งไหนแล้ววันหนึ่งมันมันพูดจ<บ>นเจ็บแขนด้วยนะ <laughs> จนจนคือเราเห็นว่าเราพูดอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ได้พูดออกส่ปากค่ะจนบอกตัวเองว่าหยุดพูดได้แล้วมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยมากค่ะขอคำแนะนำจาจะลงข้อด้วยคือถ้าจะให้ข้างในหยุดพูดกาทำสมถะพ้นโธไปแทนที่จะให้เขาพูดสเปชสปักนะให้เขามาพูดพูทโธธรรมโมสังโฆอะไรซะถ้าห้ามพูดกห้ามไม่ได้นะพามันพูดเรื่องอื่นซ อีกเรื่องนึงค่ะเพื่อนที่แซนดเกกิเอโกได้ฟังซีดีของหลวงพ่อในช่วงที่ชีวิตเขากําลังลําบากทุกข์มากๆเลยฝากมากับ น, นมัศคารหลวงพ่อที่ที่เขาได้ฟังซีดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารอดมาจากช่วงนั้นที่เขาไม่ค่าตัวตายค่ะอ๋อฝากมาโ อ, อกาสหนึ่งเลนะสาธุที่เขาไม่ค่าตัวตายซะก่อนมีเยอะนะทุกข์มากๆในสันามผัสธรรมะ มมรมะของพระเจ้าม่ใชของลวงพอ่อ ม, มาทานี้เลยใช่ไหมม า, ม า, ม า, มาบุกมาเลยมาให้หมดเล ย, ย, ยสักกี่คนรารน้ำมันสการหลพ่อค่ ะ, ะทีกวันนี้เรากพยายามที่จะไปทาศสกษาวิธีปฏิบัติ หลายรูปแบบที่จะถูกเสด็จของตัวเองค่ะแต่ก็เหมือนกันเลยไม่แน่ใจว่าวิธีไหนจะถูกเสดมากที่สุดคำว่าวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัตนะินั้นที่สํานักนอนสนันเนศนี่สอนแนละ้วก็สังเกตให้ดีมันคือรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ทางนี้สอนฟังรูปทางนี้พุโทโธทางนี้หายใจนี้พี่น้ำกายอะไเป็นรูปแบบทนั้นเองตัวสําคัญที่เป็นแกนกลางของการปฏิบัติจริงแล้วมีสติไหมเรามีสมาธิพอไหม เราฝึกพวกที่ขึ้นมาแล้วก็ไปหารูปแบบที่พอดีพอดีกับเราแล้วแต่ที่ใส่เรื่องตัวสําคัญเนี่ยที่ต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้นะไม่ว่าจะอยู่สํานักไหนก็ต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วรูปแบบอะไรก็ใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าสติไม่ถูกสมาธิไม่ถูกใช้รูปแบบอะไรก็ผิดหมดแหละไม่น่าจะว่าคนจะไปใชรรทไห ใจเป็นฟงเพราะนั้นทําใจให้สบายกันนะหาอา ร, รมาณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธอะไรก็ได้นะแล้วแต่ถนัดอันไหนที่อยู่แล้วสบายใจก็อยู่อารมณ์ันนั้นพอจิตใจสงบจิตใจสบายแล้วจิตใจตั้งมั่นที่มารู้ตัวก็มาดูกายดูใจทํางานจะดูแบบไหนนะตามสำนักไหนอะไรก็ใช้ได้หมดละคือถ้าสังเกตได้ดีนะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วนะ ไปอ่านธรรมะของครูบาอาจารย์แต่ก่อนที่เราไม่เข้าใจก็จะเข้าใจด้วยแล้วเวลาเราไปเจอทั้งปฏิบัติทั้งหลายเขาทำอย่างนี้นอย่างนี้เราก็เข้าใจเขาด้วยเพราเราเรียนหลักของการปฏิบัติเลยรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีไม่เลวไปกว่ากันแต่ว่าแต่ใครถนัดอะไรก็ใช่นัเนี่ยเพรฉะนั้นเราฝึกสติถูกฝึกใจให้ตั้งมันสติที่ถูกต้องก็คือร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวรู้ทันะ สมาธิที่ถูกต้องก็คือใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นั้นจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันอย่างี้จิตไหลไปดูรู้ทันจิตจะตั้งมัน่นถ้ามีจิตตั้งมัน่นมีสติระลึกอยู่ในกายในใจถ้าจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ชื่อไปใช้ดูท้องของยกก็มีจิตเป็นคนดูถ้าเห็นว่าท้องนี้ไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เรา ขยับมืออย่างหลวงพเทียนก็เห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งนี่ไม่ใช่เราจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจิตเองก็ไม่ใช่เราใช่ก็ประฐานอะไรเหมือนกันกหมดแหะลงที่เดียวกันหมดแต่ถ้าทําผิดนั้นก็ลงที่เดียวกันไปลงสมถะเพ่งี่ดูเท้าพองยุบ ก, ก็ไปเพ่งท้องไปรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไปดูเวทนาก็เพ่งเมื่อไรจะชนะเวทนาเราเราจะรู้สึกว่าทําไมคําสอนมันหลากหลาย เราก็เข้ากันไม่ได้ไม่รู้อะไรจะลิงก์กันตรงไหนไมันลิงก์ด้วยสติกับสมาธิเนี่เจอชื่อสิครับเขาก็เน้นสติกับอุเบกขาอุเบกขามีหลอาย ร, ระดับนะอุเบกขาของเวทนาก็อย่างหนึ่งนะอุเบกขาที่เลิ่ที่สุดเลยอุเบกขาด้วยปัญญานีสังขารุเบกขาอยา่างในชื่อของปัญญา อยู่ๆจะไปทำให้เกิดอุเบกขาได้วกันบักคาเมา b. น่ะเป็นอุเบกขาเพราะสติเพราะสมาธิทั้งนั้น่องแต่นะถ้าอุเบกขาเพราะปัญญาเกิดได้เมื่อไหร่นะเลิศที่สุดเลยอุเบกขาเพราะปัญญาเช่นมันเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุก ข, ข์ก็ชั่วคราวแลนะจิตเข้าสู่ความเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์นะเป็นอุเบกขาต่อความสุขและความทุกข์ตรงนี้ถึงจะดีแต่ถ้ามีเวทนาให้มาเราบอให้ใจเป็นอุเบกขาอันนี้สมาธิครับ เวกขาตื้นๆอยู่ปฏิบัติวจะลมี้ักษะร้องยังอย่ดยก็ดูกระดิกก็ดูกดิกเลยเครื่องไหว้ไว้บางคนนั่งนิ่งไม่ได้นั่งนิ่งแล้วสูงนั่งนงหลับเคลื่อนไหม่ขาเคลื่อนไหวมากไม่ได้ไม่มีที่จะเดินที่เราพักแคบๆเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวแบบหลบผ้เทียนก็ได้แต่ถ้าลำคานจังหวาตั้งสิบสี่อันลาคาน แค่กระดูกติกเล่นไหวเล่นไหวให้รู้สึกแต่ไม่ใช่เอาไปเตาต่ ย, ย น, นนะอย่างนี้ไม่ได้เคืียนรู้สึกไปเล่นไหวไปถ้าไอ้เล่นไหวอยู่แล้วมันไม่ค่อยหลับคนนะโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าอายุห้าสิบขึ้นก็อยู่นิ่งๆทีก็ซึมไปนะใช้ร่างกายมาช่วยกระดูกติกไว้องคิดไหมหลวงพ่อไม่ไม่นั่งนิ่ง ตั้งแต่เป็นโยมนะจะขยับเท้าได้เพรที่นั่งทํางานไปขยับมือนะมันนักเกลื่อนเลยนั่งประชุมเราก็ขออไปเรยเนอนั่งเกลี่อนขยับเคลื่อนไหวเอย่างเวลาเราเข้าประชุมเนี่ยก็พูดกันสังเกตดูแต่คนเวลาเข้าประชุมเราพูดนะเนื้อหาสาระไม่มากน้ำมากตอนที่เขาพูตามเรวก็ภาวนาเราไปพันมีเนื้อที่น่าสนใจเราก็ฟังเอาเวลาที่เหลือเราก็พาวนา หรือเราไปขาของนี่สบายเลยเวลาขาของทพรานได้ตลอดเลยแต่เวลาที่ทำงานต้องคิดอย่างเขียนซอฟแวร์อะไรเงี้ยปฏิบัติไม่ได้เวลาที่เหลือก็อดูกเดกไปาาจำสมนะใจรอยอยังใจใ้นีไ่คิดใจหนีวิคิดให้รู้ทันหนีคิดอีกยังยังไม่เลิก <laughs> จะรู้สึกนะะรู้สึกจิตไลหลไปแล้ว ร, รู้สึกรู้สึกอ่ะกิจการงพ่อกับฟังซีดีของหมพ่อมาหลายปีอ่คำาชักชวนของเพื่อนหมอท็อปบติช่วงหลังก็ได้ปฏิบัติใรูปแบบเยอะขึ้นก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ายังบังคับอยู่หรือเปล่าปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม นี่ก็รู้สึกนิ่ ง, ง, งแต่ตอนนี้บังคับนะมันนิ่งกว่าความเป็นจริงนะแต่ยบังคับอยู่แต่ถ้าในชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะจิตกระทบอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เราดูได้เรื่อยๆก็ไม่ได้เพ่งหน่อยแต่ถ้ากระทบอะไรแล้วก็เฉยกระทบอะไรแล้วเฉยอันนี้นติดไปบังคับมากได้สังเกตนะนะก็มีคํนนนานะนำภาวนะต้องใจเย็นๆเนอะ ค่อยทาไปด้วยขอบคุณก็อึดเดี่ยวค่อยค่อยอึดไปไม่รีบร้อนจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขเหมันแบบขึ้นมาแล้วว่าุขึ้นมามันหายไปรู้ว่าหายไปรู้สึกไปสบายสบายนะอันนี้มากครับเก่นมารยารหลวงพ่อครับวันนี้ฟังทําหลวงพ่อก็คือเข้าใจในส่วนมากขึ้นนะเาจริงนแที่คำถามเยอะมากเรา เราฝึกดูเจ็บเรามาตลอดครับว่ามันมันเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวราคาเดี๋ยวไม่ราคาเดี๋ยวพอใจในความสวยความงามอย่างอื่นี๋ยมันก็จะเฉยอย่างเงี้ยครับบางครั้งเวลาที่เรู้ตัวครับว่าเราหลงโกรธนั่นคือคือมีผู้รู้เห็นผู้คิดอยู่ใช่ไหมครับใช่บางครั้งเราอยากจะให้มันหยุดโกรธผมทราบว่ามันยากครัมันมันไม่ได้ถูกไหมครับเราฝึกไม่ได้เพราเป็น่างตาใช่แต่ ถ้าเกิดบางครั้งเราโกรธหรือบางครั้งเราอาจจะพูดไม่ดีหรืออะไรไปเราจะทํายังไงให้ความโกรธมันมันสงบเราไม่ได้อนคื อ, รอเราต้องตั้งใจไปก่อนนะว่าเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะเวลาที่เราทำมิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่เก็บกดจิตเนี่ยมันจะโกรธได้ไม่มันทําสมถานะถ้าทําสมถานนะไม่ต้องพูดเรื่องศีลเท่าไหร่ไม่ยุ่งกับใครวันๆเนะ้ยมุนเข้าถ้ารูปเดียวแต่ถ้าเราเดินมิปัสสนาเนี่ยจิตมันจะอิสระ จะโกรธขึ้นมาตั้งใจก่อนว่าถึงโกรธก็ไม่รูกรานใครตั้งใจบอกมันเรื่อยๆนะบอกทุกวันทุกวันแล้วก็ปล่อยไม่โกรธแล้วก็ดูครับเออโอเคเดี๋ยวจะลองฝึกเพิ่มเมติมดูครับมีคําถามทางบ้านครับปอดีมีเพื่อนวิสาวฝากมาฮะว่าพอาดีเขาไม่ลูกครับเขาอยากจะสอนลูกให้เข้าถึงธรรมะเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรง่ายๆที่หลางพ่อจะนะนำไหมครับง่ายๆเลยนะแม่เข้าถึงธรรมะก่อน แม่อย่านี้ด้วยครับก็แม่แหละต้องทำตัวอย่างให้เด็กเห็นออยู่ๆไปเที่ยวเฉิดเด็กไม่มีธรรมะนะเด็กแม่เอายิ่งสอนพ่อสอนแม่นะยิ่งยากกว่าสอนลูกอีกนาะสอนพ่อสอนแม่ต้องทำให้ดู้งให้เราเข้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรามากๆครับที่ภาวนาเช้ได้นะครับพาวนาเช้ได้ใจมัน เป็นคนรู้อยู่ได้ขันมันแยกออกไปดูออกบ้าไหมอ้ความโกรธกับจิตเป็นคนละขันกันครับเป็นครับอย่างน้หละขันมันแยกกันนะความโกรธมันเป็นสังขารขันจิตมันเป็นมีญานขันขันมันแยกออกเห็นไหมความสุขความทุกข์กับจิตที่เขาคนระนั่นก็คือตัวเวตนาขันที่แยกออกไปเพราเราเห็นขันในเชิงเดียวนะแต่ละขันแต่ละขันแต่ละตัวแต่ละตัวนะเราถึงจะเห็นไตรลักษณ์ แต่ถ้ามันรวมกันมาเป็นก้อนเดียวกันเป็นตัวเราอยู่เ่ะ่ยดูใจรักไม่ออกอย่าผิาดพเพียงไดแ น, <อ>น่นไปขอบคุณแม่จันครับเ<ม>ขบาพูดภาษาไทยได้ไหมแล้วเปิดสีดีเรางพ่อให้ได้ยินเรื่อยๆหลายคนเขาใช้วิธีนี้นะได้เป็นไรฉัน ในเมืองไทยอะ่ะจำนวนมากเลยที่พอขึ้นรถนะัถ้นก็เปิดซีดีลงพ่อเลยเด็กมันก็ฟังไปได้สนใจบ้างไม่สนใจบ้างวันหนึ่งแม่โมโหมันมาครับก็เดกบอกแม่โกรธเ้ารู้ว่าโกรธ น, นะ <c oughs> โอมันแสบมากเลย <c oughs> มันเป็นเองอะ่ะน้อมสการครับท่านจาก วันนี้ที่ท่านอาจารย์เทศก็รู้สึกว่าช่วยตอบปัญหาที่ผมสงสัยอยู่หลายข้อครับทีนี้ก็จะเหลือคําถามว่าคือก็ฝึกปฏิบัติตามแนวทางสายพระป่าเนี่ยครับมาหลายปีแล้วครับแต่นี้มันก็ขึ้นขึ้ น, นลงลงไม่ได้มาตรฐานครับท่านครับคือครูาบาอาจารย์วัดป่านะท่านสอนด้วยการทําให้ดูเวลาเราปฏิบัติอยู่กับท่านจนะต้องใช้สังเกตเนาะ เป็นนั้นถามไม่บอกง่ายๆนะท่านทำให้ดูนี่แต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วไปฟังจะง่ายเวลาผมไปปฏิบัติเนี่ยครับก็ตอนที่ไปอยู่วัดเนี่ยมันก็ดีครับแต่ที่บอออกมาข้างนอกแล้วมันก็มันก็จะรู้สึกว่ามีสิ่งกระทบแล้วมันก็จะเสื่อมอมีอารมณ์ตรงนี้เพรามว่าเราวัดความดีด้วยสมาธิ แต่อยู่วัดนะจิตมันสงบมันสบายแล้วเพราะว่าดีออกมากระทบโลกอรงณ์แฝงไปแปลงมาเราว่าไม่ดีคำว่าดีกับไม่ดีของคุณเนี้ยคุณใช้มาตรฐานจากสมาธินะแตถ่ถ้าใช้มาตรฐานของปัญญาอยู่วัดแล้วสงบซื่อบื้อไปเลยไม่มีปัญญาแต่ถ้าอยู่วัดแล้วก็เห็นท่าเห็นขันมันทํางานได้ทั้งวันอันนั้นมีปัญญา กลับออกมาอยู่มากับโลกอยู่กับโลกเนี่ยเห็นธาตุขันมันทำงานเห็นชีพใจมันเปลี่ยนแปลงอยู่มีปัญญาถือว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าเอาความสงบเป็นฐานแล้วก็ออกมาอยู่กับโลกยังไงก็ไม่ดีหรอกปกติผมก็อันนี้ก็เริ่มคือแอบฟังคำเทศนาอาจารย์มาระยะทไมต้องแ อ, แ <laughs> อบเนาะก็สารภาพว่า อตอนนั้นที่มีปัญหาผมก็เลยรู้สึกกังวลว่าถ้าฟังแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตำหนิในใจ ก, ก็เลยกลัวจะเป็นบาปเพราะไม่รู้อะไรจริงไม่จริงครับแต่ก็ฟังเขาทตามก็จะรู้สึกว่าใจไ ด, ได้ได้รับความสุขแล้วก็เห็นผลความเครียดที่เวลาปฏิบัติแล้วเครียดก็จะเบาไปคือของบริชทธาน่าสนใจนอยู่ในตัวเองนะคือถ้าเรา เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็จะเข้าใจหลวงพ่อด้วยไม่งั้นเขาสงสัยแลในโลกนี้เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแต่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยซื้อได้ทั้งนั้นนะทุกตัวเลยตั้งแต่งไงก็ได้อย่างเวลามีข่าวโจมตีหลวงพ่อนะุหลวงนักสือพิมพ์เยอเลยไหมเวลาผลสอบออกมานะท่านทางคณะสงฆ์ทางอะไไม่เคพูดเลยมีนักสือพิมพ์จะมาถามว่าจะขอ เอาไปโฆษนาผมไม่ต้องหลวงพ่อบอกเขาเองว่าไม่ต้องอเราไม่ได้อยากดังใครอะเท่าจะยปีก็ช่วยไม่ได้หรอก เ, ออเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้คนนับถือนะแต่ว่าคนได้งานหลวงพ่อไม่ลงเนี่ยเพราะผลงานเลยน ะ, ค, ะคนที่ภาวนาเป็นเลยนะนับไม่ถ้วนเลย ะ, ะเขารู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรธรรมะมีจริงๆนําจิตออกจากทุกได้จริงๆ ชีวิตเราสว่างสวายขึ้นได้จริงๆไม่ได้ชื่ออะไรงงงายเลยถามสุดท้ายว่าอย่างนั้นคุณค้ชจะไปปรับ ต, รตัว อ, อย่างไรครับคือตั้งใจให้ถูกทิศทางนะอย่าไปมุ่งที่สมาธิเป็นตัวตั้งสมาธิเป็นแค่เครื่องมือของการปฏิบัติอันหนึ่งเท่านั้นนะงั้นเรามาฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช้ฝึกให้กายนิ่งใจนิ่งนะแต่ว่าเวลามันฟุ้งซ่านมากก็ทําความสงบเข้ามา สงบพอสมควรแล้วสบายแล้วนะปล่อยให้กายให้ใจทํางานแล้วมีส ต, ติตามรู้มันไปคุณมาส ก, กราร์ค่ะครั้งที่แล้วคุณป้าจานบอกว่าให้ผมไปดูเอ่ออย่าคิดมากผมก็เลยกลับมาที่พุทโธแล้วก็สังเกตเห็นตัวเองว่ามีความคิดคุ้งสร้านมากแล้วก็มีโมหะแล้วก็มีความยึดถือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากมีมานะสูงมากค่ะ แล้วหลังจากนั้นเห็นหรือเปล่าว่าเราเปลี่ยนสังเกตเห็นค่ะทำสูกแล้วหรอก็เพิ่ค่ะต่อไปนี้ก็ทำอีกค่ะจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาพอเห็นขันมันแยกออกไปค่ะกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราค่ะครูสอนนะคูสอนไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตเป็นเราอยู่อันหนึ่งใช่ค่ะถ้าจิตเป็นตัวเราอยู่เราต้องเป็นแค่คนดูนะคะถ้าดูไปเดี๋ยวเอ๊จิตก็ไม่เจี่ยงนะ เดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไปใช่ค่ะตัวเองนะค่ะทีนี้เอคอเนื่องจากว่าหนูติดนิวรเรื่องงูนอนเยามมาหลายเดือนมาทีนี้มีครูบาอาจารย์ท่านแนะนําให้หนูกลับมาพุทโธแล้วก็ดูรู้สึกตัวในอิเลียมหมดย่อยมากเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนหนูไม่ได้ดูกายอะตอนนี้ก็เลยเพิ่มมาดูกายมากขึ้นทีนี้ก็เลยเอรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงความนิวรณ์นั้นหายไปอืแล้วก็ นิวรณนั้นสู้ได้มบทีมันมีวันหนึ่งอะค่ะที่นิวรา์มันเกิดขึ้นแล้วจิตเหมือนเกับว่าเราจําคําสอนพระอาจารย์ได้อย่างว่าอย่าไปเพ่งถ้ายิ่งเพ่งยิ่งชัดจิตมันเขาไปแตกนิดหนึ่งอะแล้วเขาก็หลุดเลยจริ ง, ง, นะง่ายนะค่ะางแล้วเขาก็บอกว่าเราประคับไม่ได้เขาจะถ้าเขาจะทําทได้เขาทำได้กองเเองใช่ค่ะแล้ววันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ คือช่วงนี้ค่ะที่หนูภาวนาจิตเขาจะเหมือนกับผ้าคล้ายๆผากันนะคะว่าอันนี้พอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอันนี้ยคือสัญญาอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสังขารที่นี่ไม่ดูถันนะที่นี่จิตฟุ้งซ่านค่ะแต่ที่นี้เนี่ยหนูก็มันเหมือนกับเห็นว่ามันมันเห็นขันห้าหมุนเวียนเปลี่ยนแับคล้ายๆกับว่าส่งต่อกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งต่อกันวนกันอย่างเนี้ย แต่ว่านั้นคือความฟุ้งซ่านใช่ไหมคะแม่เรารู้ไปสบายๆนะดูสบายถ้ า, า, ามันภาคอ่ะมันภาคมากๆเราพูดไม่เลิกเนี่ยจิตมันฟุ้งให้เราไปแค่คนดูค่ะแต่ว่าอันนั้น ผ, ผิดผิดไหมคะไม่ผิดเดบืบ้องต้นมันจะภาคก่อนค่ะะแต่พอต่อไปพอการรู้ของเราชำ น, นิชานาญขึ้นมันก็รู้เฉยๆไม่ภาคนี่ภาคแล้วางทีก็ภาคนำมาถึง<ช>ตอนนี้เดี๋ยวให้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวใ คือเขาเหมือนเขาเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นว่าเห็นว่าหลงเนี่ยเขาบอกนี่สังขารนะแต่ถ้าเห็นเปในอดีตเขาบอกนี่สัญญาแล้วมันจะเห็นเป็นว่าสัญญาสังขารเวทนาอย่างนี้ไปเรื่อยเรืย่ยเห็นถูกป่ะคะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่หนูเดินอยู่อ่ะแล้วดูพยายามดูอยู่กับปัจจุบันขนาดแล้วมันเกิดสภาวะที่ระหว่างเดินเนี่ยมันเหมือนกับว่าปัจจุบันมันจบลงตามหลังนะคะแบบทีที ท, ท, ทีีแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่า พกมันเกิดดับคือดับทีๆอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าอันนั้นเห็นก็เห็นถูกเลยเห็นถูกใช่ไหมแต่ว่าหลูกพ่พยายามคิดว่าอะไรไม่สําคัญก็แค่รู้อะไรก็ไม่สําคัญหรอกนะแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นดับพอแล้วแค่นั้นแค่นั้นแหละค่ะหนูมีอะไรที่ห้องที่ควรจะตั้งก็แล้วให้ใจได้พักบ้างทั้งนั้นนะอย่ให้มันฟุ้งไปในจัมมมากค่ะขอบคุณพระหลวงพ่อ สอบถามการความกลัวทํากังวลมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเราก็มันพอรู้รู้มันก็หยุดไปมันก็มันก็กังวลก็โกรย์มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันก็เกิดดับเกิดดับนี้เมื่อไหร่มันจะหยุดปัญหาปัญหาไม่ยังมีปัญหาไม่ยังอยู่นะมันก็กลับไปคิดเรื่องนี้อี่ก็เกิดกังวลอีกที่สิ่งมันเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ในขณะปัจจุบันนี้อยู่แล้วแต่พอเราไปทําเหตุใหม่เราไปคิดเรื่องนี้อีกนี้อกังวลอีก ก็เกิดอีกถ้าเหตุมันไม่มีนะจะต้องมาคิดอันนี้นนก็ไม่กังวลแต่ว่าถ้าเราเห็นไปด้วยนะเฝ้ารู้เฝ้าดูเเห็นว่าตุวอย่างในชีวิตรเราเนี่ยโชคราวไปหมดใจมันจะค่อยๆหายกังวลไปที่มันกังวลเพราะว่ามันกลัวกระทบเรา แล้วความรู้สึกไหนที่แบบว่าเออตอนนี้ดีแล้วนะทําดีแล้วครับคือมันจะมีความรู้สึกไหนที่แบบวว่าเออคือถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างไหลามาไหลไปนะเราเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปหลงยินดียิร้ายไม่เข้าไปแทรกแซะก็ภาวนานดีอยู่แล้วละ่ะหรือการดีคําว่าดีคําว่าไม่ดีเนี่ยแต่ละคนแต่ละเวลาไม่เหมือนกัน mm hmm. อย่างคนไม่เคยมีศีลเลยแล้วเคยมีศีลที่มันก็ดีแล้วแล้ว mm hmm. ทั้งชาติไม่เคยทาส ม, มาธิเลยนะ ถือแต่สีเนี่ยเดียวก็ชักจะไม่ดีละก็ต้องพัฒนาเพราะฉะคําว่าดีเนี่ยต้องไม่หยุดนิง่ง mm hmm. พระเจ้าบอกท่านไมเสรินและเสริมความดีที่หยุดนิง่งนเราต้องพัฒนาไปเลยถ้าพอไปหยุดนิ่งอยู่เนี่ยถือว่าไม่ดีแล้วไม่เคยมีศีเดียวมีศีลใช่ไห ม, มก็ดีมีศีลแล้วก็ยังรู้จักมาทําสมาธิก็ดียิ่งขึ้นมีสมาธิแล้วไม่เจริญปัญญาก็ถือว่าไม่ดีกันละท่านะดีก็ไม่ดียังสัมผัสอยู่ เป็นของทีเ่เปรียบเทียบอยู่เดงงกงนีนคุณป้านะ่ะก็เลยคิอบางฟังธรรมท่าอาจารย์สันล้วเกดรดกับนมาศกาหลวงพ่อกิดยมฟังซีดีหลวงมาเมื่อสีปีที่แลนะ้วแล้วกอนี้ยมก็เห็นี่เ็นตัวเองเยอะ<ๆ>เห็นเห็นความโกรธง่ายมากเลยนะคะแล้วก็แบบ เหมือนอ่านใน <c oughs> ซดีที่หลวงพ่อตกปัญหาคือมีก้อนมีอะโยมก็เห็นโยมก็เริ่มจะสนุกตอนนี้พอหลังจากโยมรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งโยมจิตตกเลยไม่รับอะไรเลยจิตโยมไม่รับอะไรเลยค่ะ <c oughs> น้องๆก็อบอกว่าให้เอาซีดีอะไรมาอ่านโยมก็ไม่รับโยมเท่งเป็นอย่างเดียวคือเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วนะค่ะย เป็นอย่างนั้นตลอดทำมาตอนนี้รักษาดีขึ้นโยมก็กลับมาดูใหม่มแล้วตอนนี้ปัญหาของโยงคือโกรธง่ายยังเหมือนเดิมกิเลสยังเยอะเหมือนเดิมแล้วตอนนี้คือยมติดชอบไปปรุงแต่งแล้วก็ยงรู้ว่ายอมปรุงแต่งแต่โยมรู้สึกมันสัใจนะปรุงแต่งมใจมันมีความสุข ใ, ให้รู้ทันนะบางคนเวลามีกิเลส <c oughs> มันพอใจนะเราพอใจอย่างนี้ผู้หญิงจะเป็นเยอะกาผู้ชายถ้าที่หลวงพอสังเกต ชอบแสบแสบเจ็บเจ็บแสบแสบแล้วชอบทีดอย่างเงี้ยส่วนมิญญาณนางเอกอย่งอย่างนี้เราโมโหแล้วเราสะใจให้รู้ทันอย่างเอยากให้มันยอมใจแล้วยมกปรุงแต่งแล้วยมดึงกลับมากลับมาคนรู้แล้วไปอีกให้รู้ทันว่าเนี่ยกินดีพอใจอยู่ให้รู้ทันว่ายินดีพอใจอยู่รู้แค่นั้นใช่ไหมครันี่ถามดิ กรรมการหลวงพ่อครับคำถามที่ผมถามคือว่าท่ า, านจะต้องการให้คนไปถึงฝั่งคือว่านิพพานนะครผมอยากจะทราบว่าอันที่คนที่อยากไปนิพพานนี้ทำยังไงแล้วลักษณะของนิพพานนี้คื อ, อยังไงครัโอ้ถามเด็กนี่ตอบยากนะ <laughs> นิพพานเป็นภาวะที่พนทุกข์พนกิเลสนะพ้นจาความยิ้นรุนลุ่มแต่งพ้นจาความหิวกระหายในจิตเนี่ยถ้าจะเดินไปสู่นิพพานเนี่ยทางเดินเนี่ยคืออริยมรรคอริยมรรคมีง8ฝังระยากเยอะย่อดลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานะลอเรานหนัสือลงข้อไปดูนะมีเยอะเลยเ น, เนั่นนี้ถ้าเราพัฒนาศีลศีลเป็นเครื่องมือสู้กิเลสอยาบงสมาธิเป็นเครื่องมือสู้กิเลสกลางๆ ปัญญาเป็นเครื่องมือสู้กับความโม้เราพัฒนาเครื่องมือในการต่อสู้ไปเวลาชกกับกิเลสอยาบเราใช้ศีลเราสู้มันไม่ไหวเราค่มจิตไปก่อนไม่ให้ทําตามใจกิเลสเวลาจิตเรามีแรงขึ้นมาพอ ก, กิเลสมานะเราก็ใช้สมาธิ่เราค่มกิเลสบ้างส่วนปัญญาเนี่ยจะเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามไปเรื่อยที่จะล้างความเ็นผิดไปที่คุณถามเนี่ยดีนะ แต่มันคือทั้งหมดในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าลืมครับลุอย่าลืมผู้ผู้หญิงคนนี้ครับมีาำถามเชสว่าไปเลยเชสครับผู้หญิงคนนี้บอกว่าทําสมาธิแล้วก็ดูสักว่าตัวร่างกายหายไปแล้วก็กลัวอืมเราไม่รู้จะทํายังไงต่อไม่รู้ว่ากลัวนะเดี๋ยวร่างกายก็กลับมา คือให้คอยรู้ทันใจของเราไว้เจสก็ตอบได้แล้วตอบได้ครับให้โอกาส he he he said when fear arises when the body disappears know that fear has a v i s i o n มีลงนะ just know that whatever arises in the mind know that don't worry the body will come back ขอบคุณครับยักนเดียว คนเดียวครับเจสันบกพพวกไว้นะอเจสันไปสอนสลังยินดีครับคนนี้เก่งนะมีหูมีตาหงดหงิอขออธิบายนิดนึ่ลักษณะของนิพพานเป็นยังไงครับนิพพานมีนความสงบนะเป็นสันตินิพพานมีลักษณะเรียกว่าสันติลักษณะ ใจเราไม่เคยมีสันติเลยเสรมจไหมอย่าคิดนะคิดแล้วหมดสันติภาพเลยนิพพานมีจริงๆแต่ว่าเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเราก็จินตนาการเรานิพพานจินตนาการยังไงก็ไม่ถึงหรอกเราไม่รู้จักแต่นิพพานนั้นมีจริงๆต้องภาวนานะที่จะเห็น ไม่ได้ไมันปรุงแต่งเให้รู้ทันไม่ใช่ว่าจะทำยังไงจะตึงไม่ให้ปรุงแต่งพระอราหาันยังคิดเลยไม่ใช่ไม่คิดนะแต่ถ้าไม่หลง ใ, หในความคิดไม่ต้องไม่ต้องมีบทกะลับเรื่อเลยก็ได้ นักว <c ười> ่ามาว่าเส้นหน่อยเนาะเอามาภานาไงภาอนานโวงพ่ออต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนั้นสิดี ให้ไม่ได้นะเอาครูบาอาจารย์มาเทียบกับหนุ่มศิลป์ไม่ได้เออกล่ า, พาวพระพุทธเจ้าหลวง่อกลาบด้วยนี่มารอบนี้นะคนแถวเอมนันนิมนต์หลวงพ่อมีทุธียังปีตัดยังปีอะไรเรียบร้อยแล้วก็ โตลงนะแต่ว่าตังพ่อต้องดูเวลาก่อนนะปีนี้ไม่มีสภาพไม่มีเวลาเหลือเลยสใส่ไม่ได้ทากระตือเขียนนะแต่